เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะถามก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้เราก็จะเริ่มเช่นเคยคือเริ่มกับเด็ก ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไกลหน่อยอยู่ถึงญี่ปุ่นตอนนี้มันเด็กแล้สี่ทุ่มไปที่นักคุณก่อนเลยนักคุณนี่คนณมีบุญมากเนี่ยเละทุกคนให้คิวหนึ่งเลยกาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค <c oughs> ่ะอันนี้กับอาการยพระอาจารย์การนมัสการพระอาจารย์เออเป็นยังไงบ้างวันนี้สซนไหม <c oughs> ไม่โซนจ <c oughs> ้ะไม่โนแล้วนะตึงครั <c oughs> ไม่ดื้อนะดื้อไหมไม่ดื้อเลยโอดืดนิดหน่อยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยหรออย่างไงมีอะไรจะถามหลวงตามไหมมีไหมไม่ได้ทำาหมือนกันนะอืออ่อไม่มีไม่เป็นไรแม่มีอะไรไหม ไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ยังไม่หายหวัดเหรอคะก็มันก็ใกล้แล้วจะหายแล้วไข้เคยอะไรหมดแล้วแต่เสียงแหบอ่าขอให้พระอาจารย์รักษาธาตุขันนะคะหายไวๆเจ้าค่ะอ่าสาธุจากราบนมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้ฝนตกได้ไหมขอให้ลมไม่พัดได้ไหมไม่ได้เราก็เลยให้ป่วยไม่ได้ใช่ไหมคะกายมันก็ดินน้ํำลมไฟไม่ขอมันได้เปล่า ค่ะพระอาจารย์ขอมันได้ก็ไม่ก็ไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลให้เสียเงินเสียทองขอให้คนนี้ไม่ซนก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องไปเรียนหมอไม่ต้องไปเรียนหมอให้เหน็ยให้เหนื่อยค่ะพระอาจารย์ขอให้ทุกคนไม่เจ็บใข้ได้ป่วยให้อยู่ไปตลอดค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีท่าทันอยู่สอนลูกศิษย์ลูกหาไวยนานนะเจ้าคะ จ่าสาธุนะครัค่ะกลับนะมาสการพระอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไปที่คุณจะมาจัดที่ต่อเราต้องใชานพระอาจารย์ครับวันนี้มาส่งการบ้านเช่นเคยใช่ไหมใช่ครับว่ามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องทนความเจ็บไข้เป็ไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องทนความตายเป็ไม่ได้เราแต่ละเว้นแป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของประของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เคร่งอาศัย เราทํากรรมอันใด ไ, ไว้เป็นกุลบหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทังหลายคุณพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวั น, วนเถอดเรายอมรับได้ไหมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยยอมรับได้ครับเราไม่เราไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมใช่ครับเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายใช่ไหมผู้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายคือใค <Okay. S 1> อ่าเออร่างกายนี่นะร่างกายที่เราเห็นอยู่เนี่มันไม่ใช่เรานะ <Okay. S 1> อะมันเป็นคนรับใช้เราเป็นเซิร์ฟเวอร์เราเป็นคนใช้ใเขาเราเป็นยูเซอร์เราใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนแต่ร่างกายมันก็มีกําหนดเวลาของมันดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ให้มันไปนะถึงเวลามันจะไปโอเคเรา okay. ในร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีผมสขนเล็บฟันหนังเนื้อเก็นกระดูกเงี่ยในกระดูกม้าวหัวใจตับถังพืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเงี่ยในสมองศูนสจั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 อาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจมา้าเยื่อในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟั น, ล น, นแลนนะขน เราไม่ได้อยู่ในในร่างกายนี้มันไม่มีเราไม่มีจิตที่ไม่มีจมัดอยู่ในร่างกายหรือเป่า ต, ตัวรู้ตัวคิดไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้อยู่อีกโลกหนึ่งโลกทิพย์เหมือนอยู่นิวยอร์กแล้วก็ติดต่อกับร่างกายนี้โดยใช้สัญญาณวิทยุโทรศัพท์มือถือเลยใจมัหมอยู่คนละที่กันเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย เราอยู่โลกนี้ก็เรียกว่าโลกทิพย์เราติดต่อโดยใช้สัญญาณวิญญาณเป็นผูเนเน้เป็นผู้ใช้เชื่อมต่อกับร่างกายแต่วก็ใช้สังขารความคิดเป็นผู้สั่งการสั่งให้ลุกขึ้นสั่งให้เดินสั่งให้ยืนถ้าใจไม่สัง่งร่างกายก็นั่งอยู่เงียไป เข้าใจนะเข้าใจครับโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีไม่ต้องตกใจเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นร่างกายนะอโอเคมีคําถามอะไรไหมคนนี้ไม่มีคําถาม ม, มีคามําถามนิดหน่งก็คือว่าอ่าตอนแรกค่ะอาวิชาตันหาอุปทานนะคะหนูไม่เข้าใจว่าทําไมอุปทานไปอยู่หลัหลงตันหานะคะเวลาอ่าน อ่านหนังสือหรือฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนูก็ยังไม่เข้าใจจนวันหนึ่งหนูเลิกคิดนะคะแล้วมันก็มีคําตอบผุดขึ้นมาว่าตัณหาเนี่ยมันต้องเกิดก่อนพอตาเรากระทบปุ๊บเนี่ยมันเกิดตัณหาแล้วก็คืออุปทานคือถ้ามันมีเราไปจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะทุกข์ทุกข์ไหมคะพระอาจารย์ก็ทุกข์ไม่ถูกก็เราต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองละการปฏิบัติมันต้องรู้ละของอย่างนี้ ไม่ต้องถามใครมันเป็นสันทิสติโกถามนี่มันก็ต้องมาถามอยู่เลถามก็แสดงว่ายังไม่รู้จริงแล้รู้จริงแล้วก็ไม่ต้องถามใช่ไหมยังก็ต้องไปพิสูจน์ดูคือปัญหามันไม่สมันไม่สําคัญว่าใครก่อนมากขอนมาหลังเพราะมันผัดกันมาพอตันหามาปะ๊พออุปทานมาปั๊บเดี๋ยวตันหาใหม่ก็มาอีกเราจะไปเริ่มต้นที่ตัวไหนก่อนหลังมันก็สลับกันมา ทว่ามันเป็นทีมเมื่อก็แล้วกันมันทํางานร่วมกันมันช่วยสร้างความทุกข์ให้กับเราอ่าออย่าไปยึดไปติดเพราะพอยึดติดแล้วก็อยากอย่า น, น, นี่ยลูกของเรานี้ยึดว่าเป็นลูกเราใช่ไก็อยากให้เขาไม่เจ็บใครได้ป่วยใช่ไหมอยากให้เขาแข็งแรงใช่ไหมนะแต่พอเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราใครทุกข์นะอ่ะอ่ใช่ไหม ทำไมลูกคนอื่นเราไม่ไปอยากเพืนะ่อเพอเราไม่ไปยึดว่าเขาเป็นเราของเราใช่ไหมอมันก็มันก็จะว่าความหลงมาก่อนก็ได้แต่ความหลงมันมาหลายรอบนะ้วมันมาก่อนก่อนที่จะมาถึงอุปทานนี้อุปทานนี้ท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับพอเราอยากได้อะไรแล้วเราก็จะยึดกับสิ่งที่เราอยากได้ใช่ะหม อยากได้อยากได้เงินพอได้เงินมาเราก็ยึดติด ก, กับเงินทองอนะ่ะอืมมันก็ไม่สําคัญหรอกใครมาก่อนมาหลังขอให้รู้ว่าอย่าไปมีอยา่าอย่าไปอยากอย่าไปยึดเพราะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราต้องกลับมาอยากพอเรายึดแล้วก็กลับมาอยากอีกพออยากมันได้พอได้มาเราก็ยึดอีกเราต้องอย่าไปยึดอย่าไปอยากอากืม ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นดินน้ําลมไฟร่างกายเนี่ยพยายามศึกษามองให้เห็นว่ามันเป็นการสามสี่สองทำมาจากธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟเราไปหลงคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมานอันนี้ก็คือความหลงพอหลงว่าเป็นของเราตัวเราก็เลยอยากให้มันดีและยึดมัน ยึทใ่้มันเป็นของเราเป็ น, นานๆนอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นสาคัญนะประเด็นสาคัญคืออย่าไปหยาดอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะไม่มีตัวเราตัวเราก็เป็นตัวสมมติขึ้นมาเราสมมติขึ้นมาเองตัวรู้สมมติขึ้นมาเองตัวคิดสมมติขึ้นมาเองนะขอสำคัญคือ้ปล่อยว่า ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วขยะไปอยากใช่ไคนลูกคนอื่นเขาจะเป็นยงไงเราเราไม่มีความอยากใช่ไหมเราไม่ทุกข์กับลูกของคนอื่นใช่ไหมแล้วลูกของคนอื่นกับลูกของเรามันต่างกันตรงไหนะมันฆาการรม32เหมือนกันนะิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราต้องไปเจรณาร่างกายให้เราข้อทั้งทั้งร่างกายของเราของเขา ของทุกคนเหมือนกันหมดนะเข้าใจไหมเข้าใจครับะอย่าลืมประเด็นทางานสัมประเด็นทางานคืออย่าไปทุกข์กับเขาที่ทุกข์เพราะ่อยากพอ่ยึดเข้าใจแล้วน ะ, ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้ว อาตอนนี้ไปที่ฮอลแลนดต่องั้นกับคุณพ่อจังอ่าตะวันกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อเชฟเพคุณพ่อมาด้วยเหรอมีอะไรไหมอวันนี้ไม่มีคำทำครับอ่าแลวคุณพ่อมี้รือเปล่า h r i d อ่า Thank you Ajah i I just want to thank you for the suggestion on the meditation, where I noticed I was falling asleep often. Uh, I think I, I meditate now with more wisdom, where I try to observe the body and observe the mind more. And if I notice that I'm getting drowsy, I move my hands, I move my body left right a little bit, I stick out my tongue a little bit. I just try to move, and then I notice that I I can I can meditate better with wisdom. So I just want to thank you for that. And oh, also yeah. the the I, I'm noticing that now during daytime as well when I'm walking on the street when I'm working even my my mindfulness is higher. So whenever I have a few minutes, I try to be mindful. I try to think of the body. I try to think of the aggregates. I try to think of everything that's happening and what my feelings are towards that and if the feelings are wholesome yes or no. And and it's going pretty well. So the the only unfortunate thing is that. On Tuesdays, I'm not able to join your sessions because of my work. So I need to do something to be able to also attend those sessions. <laughs> you can watch gone. it. Late. You can watch it later, though. Yeah, true. Mm. Only you cannot ask any question. That's true. That's true. And I noticed that when when we have session like now, I'm a little bit um, anxious or a little bit. Uh, How do you say excited to to talk to you? And then I forget what I want to ask, so <laughs> I have to write down what my questions are. And, and I also, together with my wife, on Saturdays we s e do long corpora mode, and it helps a lot as well because they also translate his texts. And I, I really like how he goes through the homeworks, etc. So I'm I'm trying to listen as much Dhamma as I can, so that I, I can try to apply that to to to to My life, my my uh, attitude, my my behavior, and and I've been feeling really peaceful because of that. I'm really really happy for that. Okay, good. Keep it up. Keep up your practice. Thank you, a j h Alright. What about your wife? She has something to say. Me, anything? Oh, Ah, oh. h uh, Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, a Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, h Ah, Ah, Ah, Ah, a ขออุบายจาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าถ้าโยมจะพิจารณาร่างกายเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะพระอาจารย์โยมอยากจะขอธรรมะจากพระอาจารย์ตรงอุบายในการพิจารณาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ร่างกายเราเหมือนเก้าอี้ที่เรานั่งนะ <c oughs> มันก็เป็นวัตถุเนะพีเยงแต่ว่ามันมีส่วนประกอบมากกว่าเก้าอี้เก้าอี้ไม่แค่ธาตุดินอย่างเดียว <c oughs> แต่ร่างกายเรามันมีธาตุน้ําธาตุลมอธาตุไฟมาผสมด้วยมันก็เลย มันเรารู้สึกว่ามันมันแปลกแต่ก็ไม่ต่างจากต้นไม้อะต้นไม้มันก็ไม่ท่าน ด, ดินส่วนใหญ่มันก็เป็นท่าน ด, ดินแต่มันก็ต้ออาศาัยท่านลมท่านไฟมันถึงจะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ใช่เป็นท่านอ่ะถ้าหมอทุกอย่างส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันก็จะเป็นท่าน ด, ดินนอกจากน้ําน้ําในทะเลน้ําในทะเลก็เป็นท่านน้ําน้ําในแม่น้ำนนํำลำคลอง ธาตุไฟก็ความร้อนของแสงพาตุอาทิตย์ที่เรามาอาบแดดกันนี่ก็มาอาบความร้อนของธาตุไฟแล้วก็ถ้าลมก็ลมที่พัดไปพัดมานี่เข้าใจไหมค่ะู้จารควรจะนึกให้มันเป็นทั้งสี่ธาตุใช่ไหมคะผู้จารหรือว่าถ้าเราชอบธาตุดินเราก็จะ เออเาส่วนที่มันเป็นของแข็งของเราอย่างเนี้ไปเปรียบเทียบกับส่วนอื่นนะคะอาจารย์หรว่าทําเป็นส่วนๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะให้ครบทั้งสี่ธานะคะอาจารย์หรือแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็ทางการเรามันมีทั้งสี่ส่วน่ธาตุแข็งกระดูกเนี่ยก็เหมือนก็เป็นท่าตดินมันเหมือนขาเก้าอี่ยกระดูกของเราก็เหมือนแขนข า, ขาขเลยกระดูกมอนก็เหมือนเก้าอี้โครงกระดู ก, ก, รด ก, ก เ, เราเนี่ยก็เหมือนเก้อ้ น้ำที่เราเอาเข้าไปน้ำที่เราถ่ายออกมามันก็เป็นน้ำดีๆนี่ลมที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกมันก็เป็นลมแล้วส่วนเลือดก็เป็นธาตุน้ำพวกน้ำเหลวน้าเลือดทินมเด็กเมื่อกี้ก็าท่องนี่อาการ32ก็เป็นธาตุน้ำก็มีทเท่านี้เฮ้ยมีตัวเราเราค้นหาดูมันมีแค่32อาการ เราเป็นเพียงแต่ผู้ที่มาครอบครองมันเราก็สั่งให้มันทําอะไรตามต่างๆตามที่เราต้องการเท่นี้เราอาศัยร่างกายให้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เราเพราะเราไม่มีตาหูจมูกมือกายเร า, เราเลยต้องอาศัาายร่างกายเมือนเราอาศัยโทรศัพท์ไว้ติดต่อกันนะเราไม่สามารถไปหาค น, นนั้นได้ก็อยู่อยู่เมืองนอกเนี่ย แต่เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อเขาได้ใจเราก็อยู่อีกโลกหนึ่งแต่อยากจะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็เลยต้องมาครอบครองร่างกายเราก็อยู่ด้วยการชั่วคราวเพราะร่างกายมันก็มีอายุขเมื่อกันแปดสิบเก้าสิบปีมันก็ไปแล้วมันก็จบแล้ว เป็นเราไม่ใช่เป็นร่างกายคือก็คือพระอาจารย์หมายถึงว่ามันคือธาสี่พิงแต่ว่าไอตัวจิตน่ะมันไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดเป็นอุปทานตันหาอุปทานขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เออก็ไปสมมุติว่าเป็นเราไปให้ข้าว่าเป็นตัวเราแล้วทุกคนก็ทุกคนก็เห็นว่าเป็นเชื่อก็คิดแบบเดียวกันไปหมดพ่อแม่ก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นเราอืเราก็ว่าเป็นเรา เพื่อนเขว่าเป็นเราโรงเรียนก็ครูเเขากว่าเป็นเร า, เ, า, เ, ป เ, ราเป็นเราหมดภาซาค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเงินเขาใช้เป็นธนบัตรใช่ไหมคะฟาซาถ้าเปลี่ยนเป็ น, <ม>ป น, ปนขี้แมวแห้งแบบนี้ค่ะฟาซาสมมติมันมีค่าเขาจะแย่งแมวกันเอาไปเอาไปเลี้ยง ถ, ถ้ากี้แมวรักษาโรคมะเร็งถ้าถ้ากี้มารักษาโรคมะเร็งได้ดูสิมันจะอ๋ะอภาซา มันก็อยู่ที่ผลประโยชน์ที่เราอยู่กันทุกวันนี้ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ <Okay. S 1> อะไรที่ให้ประโยชน์กับเราเราก็รักมันชอบมันขึ้นมา mm hmm. อะไรที่มันให้โทษกับเราแล้วก็เกลียดมันไม่ต้องการมัน mm hmm. เพราะว่าเรายังต้องหาหาผลประโยชน์จากโลกนี้ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำทาใจให้สงบได้เรามีความ เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้อ่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ต่อให้มันมีราคาเท่าไหร่มันก็ เ, นเหมือนกับเป็นแค่เป็นธาตุเท่านั้นเองไอ้ไอ้ไอ้กอนเพชมาเท่าใหญ่เท่ากํามือมันก็เป็นแค่ก้อนหินนนแะสําหรับคนที่มีความสุขใจที่ไม่ต้องกายที่ไม่ต้องอาศาัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขเห็นพระพุทธเจ้าภาษาโลกทั้งหลายท่านไม่ได้หิวกับอะไรในโลกนี้ เพราะถ้าไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับท่านท่านมีความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการกาจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากใจต้องปฏิบัติให้ถึงตรงนั้นเพรานั้นหลักใหญ่ของการปฏิบัติก็คือการทําใจให้สงบเมื่อสงบแล้วเราต้องสอนใจให้ปล่อยทุกอย่างที่เราไปหลงชอบ ว่ามันไม่ได้เป็นความความสุขแท้ความสุขจริงสุขเพราะว่าเราไปหลงที่ว่ามันสุขอะย่างนี้แต่มันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจางเราไปพอมันจางเราไปมันก็ทําให้เราเศร้าออกมัน <c oughs> แต่ความสงบนี้อยู่กับเราไปตลอด ยังฝึกสตินั่งสมาธิปัญญาตอนนี้เอาน้อยๆหน่อ ย, อยไม่ต้องรู้มากรู้มากก็มันก็ปล่อยวางไม่ได้เพียงแต่รู้ไปออ่างได้ยังหยุดความอยากไม่ได้ทำใจให้สงบให้มีความสุขก่อนถ้ามันก็จะปล่อยสิ่งต่างๆได้ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ตอนนี้รู้ว่ารู้ว่าเขาไม่เที่ยงรู้ว่าเขาไม่ใช่ของเราแต่ก็ยังก็ยังไม่ปล่อยนะ ถ้ารูจริงก็ต้องไปอยู่คนเดียวนะแยากกันอยู่แล้วอยู่ด้ยวยกันทําไมอยู่นั่นทุกขจะตายเลยอยู่คนเดียวแสนจะสบายกว่ายัางติดเรื่องเรื่องสัมผัสอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ก็มีแล้วก็เรื่องกินแบบ น, นี้ค่ะอาจารย์แต่เสียงเพลงไม่ไม่ดูไม่ไม่ฟังแล้วค่ะยังติดตรงนี้วะอ่ามันก็ติดานระอาจารย์มินซียังไม่แก่ก้าค่ะพระอาจารย์ออ ถ้าไม่ติดจริงๆมันก็ต้องเสียสินแปดได<ม>้ยังถือสินแปดไม่ได้สแสดงว่ามันยังติดอยู่ดินแดงได้อย่างหนึง่งรูปเปสียงก<า>ินแล้วาา <laughs> เป็ น, เ ป, นเป็นเพียงบางบางวันค่ะพระอาจารย์มันต้องไม่ติดเลยบางวันมันก็สแสดงว่ามันป็ย่างีใช้ไม่ได้<ม>ยังคิดถึงอยู่ค่ะพอาจารย์อืม ว่าเราไม่ทำเราไม่มีความสุขจากความสงบนัน่ทุกอยาก่างทุกทุกครั้งอยากจะเสบรูปเสียงกิดรถก็ไปนั่งสมาธิแทนถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ไปนั่งสมาธิแทนเราก็มีความสุขสบายกว่าไม่ต้องไปหารูปเสียงกิดระเสบอาจารย์นะ พระาะใช่ค่ะแต่เมื่อวานนี้โยมโยมโยมก็ภูมิใจนิดนึงนะคะพระอาจารย์เมื่อวานนี้โยมไม่ได้ไม่ได้ดูทีวีเลยค่ะพระอาจารย์ก็คือเอทั้งวันเนี่ยก็จะฟังธรรมะแล้วก็ตื่นจงกรมแล้วก็อทานอาหารแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็เจริญสติแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็พิจารณาเรืต่างๆแบบเนี้ค่ะพอาจารย์ท่นดีเห็นได้ ว, ว่าอย่างอาเพิ่งไม่หลงเพราะต้นยุโรประยะยาวว่า เดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งทําได้กี่วันอเมื่อก่อนมันทำไม่ได้เดี๋ยวก็ก็มีบ้างอย่างเงี้ยขึ้นมาต้องต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆพยายามเก็บแต้มให้มันมากขึ้นสะสมแต้มมาต่อไปอาจจะทําอมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งทําได้ทุกวันนั่นแหละแต่ชาเดี๋ยวว่าโอเค แต่ก็สําหรับคนเริ่มต้นเพียงแตไ่ได้ได้แต้มหนึ่งก็ดีใจแล้วถ้าไม่เคยได้เลยขอบคุณค่ะใช่ไหมภริาชราใจนิดห่อยแล้วหลายต้องเก็บแต้มเยอะเป้าปหมายของเราคือต้องทําให้ได้ทุกวันก็คือยมจะเอาภาริยาชาเนี้ยค่ะพระจารย์ก็ไม่อยากจะไปกลัวจะไปเกิดอีกแลเนี้ค่ะตั้เป้าไว้ค่ะดีดีโอเคนะ ดีเพียงเท่นี้ค่ะโอเคอ่าธ okay. ุไ ป, ไปคุณหมอพี่เชษเมื่อกี้เห็นอยู่หายไปแล้วแหละหลุดไปอีแล้วแหละคุณหมอไม่ไม่รอแล้ววันนี้อยู่อยู่ข้างล่างกับกระอาจารย์เนี่ยนะนะคุณหมอพี่เชษได้ยินนะคุณหมอพี่เชษโอเคครับเปิดนะครับเชิญกรับมนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้พอดีสัญญาณไม่ค่อยดีครับแต่ดินก<า>็ เห็นเสียงมันหายไปบางทีภาพก็หายไปครับมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ทางโยงหรือว่าอันไหนกอวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายอาวิชชาปัจจญาสังขาราครับพระอาจารย์ก็คือจิตของเราเนี่ยมันมันขึ้นปรุงแต่งมันคิดปรุงแต่งไปทางอาวิชชา อวิชาก็คือความหลงความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสในในโลกธรรมแปดในโลกธรรมทั้งสี่มันหลงมันคิดว่าโลกธรรมสี่คือความสุขนะพอมีอวิชาไปคิดว่าโลกธรรมสี่เป็นความสุขมันก็ผลักดันให้สังขารความคิดปรุงแต่งให้ปรุงไปหาโลกธรรมนั่นเองที่ มันจะไปสู่โลกธรรมได้มันก็ต้องผ่านมันต้องมีเครื่องมือเนี่ยมันก็ต้องส่งวิญญาณไปหาไปหาร่างกายไปหาอายตนะอปวิชคาปัญญาสังขารสังขาปรปัญญาวิญญาณนางังวิญญาณนังปจัจญญาอายตนะไปไปที่ตาหูจมูกนิ้นกายวิญญาณเป็นตัวที่ติดต่อกับร่างกาย แล้วก็ให้ร่างกายไปเอารูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้หน่อยพระเพอร่างกายรับรูปรับรูปเสียงกลิ่นรสก็ส่งไปให้ใจใจก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวลามีการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเห็นอะไรมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่สิ่งที่เราไปสัมผัสถ้าเราไปเห็น สิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขเวทนาขึ้นมาถ้าไปเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ทําให้เราเกิดทุกข์กเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาความอยากตามมาเวทนาถ้าสิ่งที่เราชอบเราก็อยากได้สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะอยากจะโยนทิ้งไปไม่อยากจะมีไม่อยากจะเข้าใกล้ก่อเกิดความอยาก มันก็มันก็เกิดความโอปทานพอได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วก็ยึดติดว่าว่าเป็นของเราพอเป็นของเราก็เกิดภาะวะอยากใช้ให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆเป็นของเราไปเรื่อยๆพอพอมันถึงเวลาที่ต้องจากกันในเวลาร่างกายตายไปจากสิ่งจากรูปเสียงกิเลสร่างกายก็ไปเกิดใหม่ ใจ ไ, ไปเกิดใหม่ใหม่ทังร่างพอร่างกายนี้ตายไปแต่ความผูกพันความอยากจะได้รูปเสียงกินลสมันก็ยังมีอยู่มันก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ น, นก็คือการทำลายของจิตที่แล้วปฏิจจส ม, มุปบาทเนี่ยมันเป็นขั้น่มต้นที่อวิชชานังผู้ผลักนันเราจะแก้ลองไปแก้ที่ตัวอวิชชา แก้ว่าโลกกระทำนี้เป็นทุกข์ไปนอนิจังไม่เที่ยงเปนันตาตามเราเก็บไว้เป็นของเราไม่ได้พอรู้ว่าเป็นทุกข์ไปนอนิจังไปนั น, นาตา ม, มันก็สังขารห้หยุดสั่งให้เจ็บสั่งให้วิญญาณออกไปทาที่ตาหูจมูกเล่นกายอยู่นั่งสมาธิอยู่ข้างในดีกว่าทำใจให้สงบอยู่ข้างในดีกว่ามีความสุขมากกว่าใจก็ไม่ส่งออกนอก มีไม่ก็ไม่ต้องมีร่างกายมีก็เหมือนก็ไม่มีร่างกายตายไปก็ไม่กลับมาก็ไม่กลับไปหาร่างกายมาเพราะมันมันไม่ต้องมันไม่มันรูกว่ามันเป็นทุกข์มีร่างกายก็เป็นทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโลกธทรมที่หามาก็เป็นทุกข์แล้วไปหามันทำไมช่ออยู่กับความสงบในใจนี่จะมี จะดับวิชาได้ต้องเห็นธรรมเห็นความสมบเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เราสนน่้างหานัญญานิเทศมันอยู่ในใจเรานี่เองสิ่งที่เราไปหาภายนอกมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราววันนี้สุ น, น, นาขมาชอนร่น้ำเมื่อได้ไหม มองจะเข้าใจหมอคุณเลยอยากจะถามเรืองจุดไหนครับเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์เขาคิดว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาก็เกิดจากวิชาเนี่ยครับใช่ก า, ามทำหนึ่งหนึ่งลงลงในโลกการทำสิหลงในราบยศสารเสริญและความสุขจากโลกเสียงกินรอดทนเฉพาะแต่ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปทําอะไรก็ไปหาราบยศสารเสริญสุขกัน หาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาสารเสริญหารางวีรางวัลหาเหรียญทองหารางวัลอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วก็หาความสุขจากลูกเสียงกินก่อนไปดูไปฟังไปกินไปเดอนไปต่มมางๆก็เนี่ยเสียนอยู่างทั้งวันจนมาทั่งหลับพอตืน่นขึ้นมาก็ทําอีก <c oughs> ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดขัดพอ <c oughs> ติดขัดก็ทุกข์ ร่างกายไม่สบายก็ทุกข์ก็เลยไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันขัดขวางการหาความสุขของเราถ้าเราไม่หาไม่ต้องหาสิ่งต่างๆไม่ต้องหาโลกกระทเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วก็ไม่เดือดร้อนเราทําใจให้สงบได้อย่างเดียวพอการทําใจให้สงบไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติ ใช้สติก็ใช้ปัญญาสองตัวนล้วนำมาแก้วิวชาด้วยการมาศึกษาธรรมะคำสอนพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าไปภาวนากันเนนถิดไปเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตสงบสำรวจด้วยสติ ก, ก่อนเป็นความสงบชั่วคราวแล้วก็มาใช้ปัญญาทําให้ความสงบที่ชั่วคราวนี้ให้เป็นความสงบที่ถาวร ในการํำจัดความอยากต่างๆเพราะเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ใชไมันเป็นของไม่เที่ยมั้นถึงแม้จะรู้จะรู้ปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงการการทำงานของจิตในตอนนี้จิตมันก็ยังถูกวิชาสังขารอยู่เรื่อย อย่างให้ไปหาขนมมากินไปหาเครื่องดื่มมาดื่มไปหาอะไรมาดูมาฟังอยู่ เ, <c oughs> เราต้องเราต้องหยุดมันให้ได้หยุดกระบวนการของของอวิชชาเป็น <c oughs> การทําใจให้สงบพอใจสงบสังขาตก็ปรุงแต่งไม่ได้ถึงแม้ยังมีอวิชชาอยู่มันก็สังเาตไม่ได้ แล้วจิตเข้าสมาธินี้่ออวิชากิเลสปัญหาทำงานไม่ได้ต้องร้องให้สังขารทําทงานก่อนมันถึงจะสั่งให้ไปหารูปเสียงกินรสไปหาราบยอดสรรเสริญสุขงั้เราต้องมาหยุดที่ตัวเนี้หยุดที่ตัวสังขารจะเริญสติก็หยุดสังขารเพราะมันคิดแล้วมันก็เกิดความอยากคิดถึงขนมนก็อยากเป็นคิดถึงอะไรก็อยากได้ นมพอหยุดขังขานมันก็ไม่คิดมันก็เลยไม่มีความอยากได้อะไรแต่มันถ้าใช่ถ้าถ้าหยุดด้วยสติมันก็หยุดได้ชั่วคราวพออจากสมาธิมาสังขารก็คิดอีกนี่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของสังขารอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดสีสิ่งนั้นสิ่งนี้สุขอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขขังนิจังสุขขังอัตตาให้คิดตรงกันข้ามกัน ไม่คิดตามความเป็นจริงว่ททงาทุกสิ่งทุกอย่างเปนอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราคิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่อยากได้อะไรเพราะมันอยากก็เท่ากับอยากได้ก็เท่ากับไปเอาทุกขก์นนามาความยศสำลักเสื่อมสุขมันเป็นทุกขก์แต่เรามองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เรามองเห็นว่าเป็นสุ ข, ขกันแล้วก็อยากได้กัน อันนี้คือหน้าที่ของบัญญาที่เราจะต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราเคยเคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนัง้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาลูกลูทิดาหรือข้าวของเงินทองอะไรต่างๆมันเป็นทุกข์ทั้งนัง้นอันนี้ถึงค่อยมาถึงขั้นบัญญาตอกว่าจะไปถึงขั้นบัญญาตต้องให้ผ่านขั้นสมาธิไปก่อนจะดีกว่า เพราะฉะนั้นมันก็รู้เฉยๆแต่ทำอะไรไม่ได้รู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็ยังตัดไม่ได้ยังเลิกเสพไม่ได้โอเคครับขา้ขาใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์กับคำพูดของเขาใบที่ท่านต่อไปคุณสาธกาจากชัยนา มาฟัท่ทำคะระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ ะ, ะไม่ถามค่ ะ, ะสงบนะจิตต้องสงบนะได้ค่ะ อ, ะ อ, อนะดีขึ้นอ ย, อ, ย อ, อยากให้น้อยลงอ่อไว้ที่คุณบางออนต่อคุณบางออนอยู่ที่ไหนใครเข้ามาหรเปาจำไม่ได้เข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะ่ะอาจารย์ได้ยินได้ยินจ้ะ วันนี้หนูมีคำถามนะคะคือพอหนูเริ่มทำสมาธิใช่ไหมคะทีนี้พอเราเหมือนเราเบรกความคิดว่าบ่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้สมองมันจะทำให้เราแบบหนูรู้สึกว่าหนูหนูผิดทางหรือเปล่ามันทื่อๆอ่ะค่ะอ๋อไม่ไม่ทื่อเพราะเราหยุดการคิดหรอมันทื่อเพราะเรามันเฉื่อยชาค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบมันมันพอเราแบบหยุดมันหยุดมันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้สมองแบบ ยังไงอะคะมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกถ้าหยุดมันถ้าหยุดด้วยสตินี่จิตจะผ่องใสจะเบิกบานใช่ใช่ค่ะได้ค่ะหนูก็เลยหนูกลัวว่าผิดทางหรือ่หนูทื่อๆกับการหยุดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่หยุดเลถ้ามันถ้ามันหยุดแล้วมันไม่เทื่อที่มันชื่อเพราะตัวตัวจิตไปคิดมันเองว่ามันมันทื่อค่ะมันมันไม่ไม่ใช่หรอกลองหยุดมันจริงๆดูสิ เราให้มันนิ่งทีเฉยๆให้มันสงบดู่แล้วมันจะอจัศจรใจจิตจะสว่างสวายจิตจะเบิกบานจิตจะมีพลังที่เที่นี้มันเืี่ยพโมหะวิชาซะมากกว่าอ่านั่นน่ะสิคะหนูกลัวมากเลยค่ะเพราะมันจะเป็นมันจะติดแบบนี้ค่ะแล้วไปหยุดยังไงล่ะคุณหยุดมันยังไงหยุดความคิดอยังไหงพอหนูเบรกอ่าหนูหนูทําได้สม่ําเสมอมากขึ้นนะคะก็คือ ก็คืออยากนั่งทุกวันนะคะแต่ทีเนี้ยพอทําแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่เรื่องเงินอื่นนะคะพระอาจารย์หนูไม่แบบเดี๋ยวก็ต้องคิดอีกเลยก็เลยกลายเป็ไม่อยากคิดอะไรอะไรไงค่ะมันไม่อยากคิดมันก็เป็นกิเลสอ่านั่นแหะค่ะมันซ้อนเข้ามาอีกทีหรือเปล่าคะพระอาจารย์อย่าไปไม่อยากทุดแล้วเพียงได้หยุด ค, คิด หยุดคิดด้วยการใช้สติหยุดคิดไม่ใช่ไปหยุดคิดด้วยความไม่อยากคิดมันไม่ได้หรอกความไม่อยากคิดมันก็ทําให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาอย่างนั้ น, นค่ะพระอาจารย์รู้รู้ว่าไม่ถูกมันก็ก็หยุดคิดด้วยการเจริญสติใช้พูดโทสิใช้พูดโธดูสิไม่ใช่มันใช้ความอยากหยุดคิด ม, ม, มันไม่หยุดมันไม่หยุดด้วยความอยากหยุดคิดเลยมันก็ตีกันอะไร มันก็ทําให้สการไม่หงุดหงิดไม่สบายใจขึ้นมาอยากจะหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดคิดนี่แสดงว่าเราเข้าใจผิดใช่ไหมคะอา่อาไม่ต้องหยุดคิดด้วยการใช้สติใช้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธหรือใช้ดูลมหายใจแล้ว ด, ดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันอย่าไปคิดถึงงานอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ มันคิดเราก็อย่าตามไปเราอยู่ที่งานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันค่ะอ า, าจารย์เด้๋วจะลองลองทำใหม่ดูใช่ค่ะต้องมีสตินี่มันไม่มีสติไม่รู้หยุดคิดแบบไหนก็ไม่รู้ใช่ลองฝึกสติเ ด, ดี๋ยวลืมตาขึ้นมาก็พูดโทพูดโธเลยเป็นขึ้นมาไปทําติดอะไรก็พูดโทพูดโธไป หรือคอยเฝ้าว่าเรากรำลังทําอะไรอยู่ค่ะอาจารย์อย่าไปคนอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากรำลังทําในปัจจุบันถ้ามาถูกทางก็คือจิตมันจะผ่องใสได้มันจะว่างมันจะเบาจะเย็นจะ ม, มีความสุขความคิดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์กระน้อ ง, องนํำไปปฏิ บ, บัติค่ะอาจารย์โอเคสาธุด้ะสาธุข้า ไปที่โกเบคุจูบโกเบในมหัศจรรยพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์สอนหนูเรื่องสมมาสมาธิคะ่ะพระอาจารย์ก็หนูก็ไปอ่านอ่านมาหนูก็พบว่าอคณิกาสมารพระอาจารย์พูดว่าถ้าสมมุติสัมมาสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ่ะ กับคณิกาสองอย่างกับกับคณิกาใช่ไหมคะอืมต่างกันตรงที่คณิกามันสงบเดียวเดียวออืภาวนาสงบนานต่างกันที่เวลาใช่ไหมเจ้าค่ะอต่างกันที่เวลางั้นหนูก็ยังคณิกาค่ะพระอาจารย์ไม่เคยสงบได้นานเลยค่ะออืคณิกาได้ก็ดีแล้วกลัวยังไม่ใช่คณิกาได้ซ้าไปจริงเหรอเจ้าค่ะออคณิกาจริง ถ้าคั้นิกะเองมันจะติดสมาธิมันจะไม่อยากพี่มันไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วมันอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะมันควารู้สึกมหัศจรรย์ใจมันได้เจอได้เห็นพันธิพาชั่ววัฏหนึ่งเจ้าค่ะงั้นก็คงยังไม่ถึงคั้นิกะค่ะคระอาจารย์ไม่ถึงหรอกไม่ถึงเจ้าค่ะก็ต้องพยายามต่อไปใช่ไ้มเจ้าค่ะฝึกสติไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปแล คือจดจอ่ออยู่กับการงาน ก, การเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาจดจอ่อกับการเคลื่อนไหวของร่างกายคือให้รู้ตัวเสมอว่าเราทำอะไรอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะออให้รู้เราอย่าไปคิดให้รู้เฉยๆเจ้าคะ่ะจะพยายามเจ้าคะ่ะแล้วพระอาจารย์เจ้าคะ่ะปกติมนุษย์เราเนี่ยเจ้าคะ่ะกานิ่งสมาธิถ้าทาไปเนี่ยก็คือแล้วแต่บุคคลใช่ไหมเจ้าค่ะ บางคนทําได้เร็วบางคนทําได้ช้าเจ้าไม่ใช่ไหมเจ้าคะก็อยู่ที่กําลังสติของแต่ละคนที่พัฒนามาไม่เท่ากันพวกเรามาเกิดนี่มีสติระดับสติของพวกเราแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่มีสติมากก็มักจะเรียนหนังสือเก่งทํางานได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสติเนี่ยคนที่ไม่มีสติเลยก็เป็นพวกออทิสติกพวกเด็กพวกสมองเสือ่อมทั้ไหลายเนี่ยพวกที่เป็นโรคพิการทางสมองเนี่ย มันยังไม่ใช่ทางสมองนะมันมันที่การทางสติมันเลยไม่สามารถควบคุมความคิดของตนจากให้คิดไปในการควบคุมร่างกายได้อเอาค่ะในสติเนี่ยมันตัวที่ทําให้พวกเราสูงต่ำต่างกันฉลาดฉลาดหรือกเก่งมากน้อยต่างกันอยู่ที่ตัวสตินี่ก็ ปัญญากับสตินี่เกี่ยวข้องกันด้วยใช่ไหมเจ้าคะถ้าสติดีนี่คือปัญญาก็จะดีขึ้นใช่ไหเจ้าคะเพราะถ้ามีสติสติ ด, สตดีสติก็สามารถคิดไปทางปัญญาได้เวลาเรียนหนังสือก็ตั้งใจฟังมีสติตั้งใจฟังก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติใจลอยนั่งคิดถึงเพื่อนคิดถึงขนมคิดถึงของเล่นคิดถึงอะไรฟังไม่รู้เรื่องไม่เกิดปัญญาขึ้นมา สอบก็ได้คะแนนไม่ดีเหมือนกับคนที่มีสติคนที่ได้คะแนดดดนดีๆเนียสติเขาดีเขาฟังทุกคําพูดของครูครูอาจารย์ตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจก็ได้ปัญญาพอาไปสอบเขาก็ตอบคําคคถามต่างๆได้แต่มบางทีเราฟังใจเราอย่างลอยเลยเนี่ยบางทีคุยกับเรานี่บางทีใจอย่างลอยใช่ค่ะ บางทีฟังแล้วไม่เข้าใจก็เพราะว่าช่วงที่ฟังไปคิดถึงเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้ละเราพูดอะไรฟังไม่เข้าใจขึ้นมาใช่ไหมสติวนล้วนเลยนะคะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะอะะแต่คงจะช้าหน่อยค่ะเพราะหนสูสติไม่ค่อยจะดีอืม ก็พยายามไปพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไปตามลำดับเดี๋ยวกอปิดไถ้พักพังตรงอา่านค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเสมหามันไปติดคอเลยทำให้ไอช จ, จามขึ้นมาไปพูดไม่ค่อยได้โอเค okay, ดีขึ้นแล้ว หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคงั้นไปที่ท่านต่อไปอาจะเจ้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์มากมาเจ้าค่ะคุณแม่ลูกอยู่ที่นราธิวาสอุตสาหกับดิศยามันวัสการค่ะพระอาจารย์ไม่พูดกันเอาไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์อแต่ว่าที่ได้ยินที่พระอาจารย์บรรยายทําให้คุณหมอพี่เชฟฟังแล้ว ได้แรงบันดาลใจค่ะว่าเหมือนเรากําลังติดยาเสพติดนะคะพระอาจารย์อืค่ะเดี๋ยวจะ ต, ต้องทําสติให้ดีแล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องเรื่องสิ่งที่เราติดยาอยู่ค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างอ่ะมันเป็นยาเสพติดทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสลาบรสะะสารเนี่ยติดกันอยากได้กันเวลาไม่ได้ก็เหงาเศร้าใจเสียใจกัน ตอนที่พระอาจารย์สอนหนูกม็มันน่าคิดว่าเออแล้วถ้าไม่ไม่มีมันแล้วเราจะอยู่ยังไงมีแว็บเนึ่ยค่ะแต่ว่าใจตอนที่ฟังไปเปรียบเทียบกับคนเราไปมองคนที่เขาติดยาเขาก็คงคิดว่าเขาก็มีความสุขที่เขาได้แต่เราก็รู้เราก็มองเห็นนะคะว่าเราก็มีความสุขมากกว่าที่เราไม่ไปติดมันค่ะเดี๋ยวจะน่าแหละน่าแหละคือปัญญาถูกต้องพวกเราคิดว่าถ้าเราไม่มีรูปเสียงกินรสไม่มีลาบโลกธรรมสีแล้วเราจะอยู่ได้ยังไง ก็ดูคนอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ติดของตรงนี้ทำไมท่านอยู่ได้ใช่ไมถก็เหมือนอย่างที่คุณพูดอ่ะคนที่เขาไม่ติดยาเพราไม่เห็นเดือดร้อนต้องมียาเสรเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเอาไปพิจารณาต่อคะ่ะพระอาจารย์รู้สึกแบบมันกินใจมากค่ะพระอาจารย์อขอบคุณค่ะดีใจที่ได้เกิดปัญญาขึ้นมา <laughs> สำหรับโยมนะคะอาจารย์อ mm hmm. uh, มีความรู้สึกว่าโยมโยมไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะตอนนี้ไปทํากายภาพ mm hmm. แล้วก็ขณะที่เขาทํานะนนะคะโยมก็ใช้วิธีการกําหนดลมรู้สึกแต่ที่เจ็บที่เขาบีบเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าไอความรู้สึกทั้งหมดมันจะอยู่ที่ส่วนหน้ามันจะมีอยู่สองส่วนคือที่เจ็บกับที่หน้าเราอะค่ะอาจารย์แล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นกระดูกแห้งๆประมาณนั้นนะคะอาจารย์ แล้วก็พอไปพอตอนขากลับมาเจอกับน้องคนนึงซึ่งตอน ส, สาวๆเขาสวยมากแต่ตอนนี้เห็นเขาแบบซุดโสมแล้วก็มันไม่ใช่คนสวยที่เคยอยู่าก็เลยรู้สึกสังเวชว่าเออเน้องความทุกข์ทำให้คนเป็นหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอคะนี่อันนี้ที่ได้มาคะ่ะแล้วก็พอไปเดินรอบสนามโยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีสติเราสามารถสั่งให้เขาหยุดความคิดได้ใช่ไหมคะใช่ความคิดที่ แต่มอนลดอะ่ะถ้าเรามีเบรกแล้วก็หยุดเบรกลดได้ใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเดินใช่ไหมคะรอบแรกเนี่ยเราจะอยู่แค่ยี่สิบเมตรประมาณนั้นแต่พอหลังๆเราบอกว่าหยุดหยุดคิดหยุดคิดแต่พอรอบหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราสั่งได้แต่โยมคิดว่าเอ๊ะเราอุปท า, านไปนหรือเ ป, เ ป, เปล่าก็เลยมาถามอาจารย์แสดงว่าถ้าเรามีสติที่แข็งแรงขึ้นเราก็สามารถหยุดมันได้สั่งมันได้ใช่ไหมคะได้หยุดคิดได้ก็หยุดความอยากได้หยุดความโกรธได้ แล้วก็มันมีอันนึงที่มันย้อนกลับมานะคะในในเฟซบุ๊กนะคะโยมก็เด็กนักเรียนที่ไปพาเด็กไปแข่งแล้วเด็กบอกว่าต่อไปเขาจะทําให้ดีขึ้นโยมก็บอกว่าต้องทําให้ดีโยมก็กลับมาถึงย้อนถึงตัวเองว่าแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่ทําไมเรายังไม่ไปปฏิบัติให้มากขึ้นก็มันก็เหมือนคนติดยายอย่างที่บอกอะคะ่ะพอเรากลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเดิม แต่พอเราไปอยู่ที่เขาเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นอีกแบบนึ่งะค่ะอาจารย์ ม, มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราควรจะออกจากสภาพแวดล้อมเดิมอย่างใช่ไหมคะมนดูพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในวังใช้ไหมท่านไม่อยู่ในวังค่ะอันนี้ใช่ถ้าพระเจ้าอยู่ในวังก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไปจําลอนตายเป็นมหาจากักรพรรดิ ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต่อให้เราห้ามยังไงมันก็ ม, มีมันมีสิ่งเราเข้ามากระทบอยู่ดีอะค่ะอาจารย์มันมีบ่วงไงผู้เจ้ามีบ่วงคอยรัดอยู่เราอยู่เลยพอได้ลูกมาก็บ่วงบ่วงใหม่เกิดขึ้นแล้วบ่วงเกิดขึ้นแล้วภรรยาก็บ่วงหนึ่งแล้วพ่อก็บ่วงหนึ่งแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองก็อีกบ่วงมันบ่วงทั้งโลกกระทําทั้งสี่ค่ะแต่ยุมก็น้อมนําคำสอนของอาจารย์มาใช้ยึดตลอดเวลานะคะ ขณะที่เดินบางทีมีคนโทรศัพท์เข้ามายมอ่านหนังสือธรรมะบนเขาอะค่ะบอกว่าอย่าคุยในขณะที่เดินให้หยุดหยุดพูดโยมก็เลยหยุดโทรศัพท์ค่ะมันจะไม่เดินมันก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยค่ะอาจารย์มีอะไร<ม>หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรแปลกๆขึ้นเยอะค่ะอาจารย์แล้วเราก็มันเอามาใช้ได้จริงๆในชีวิตของเราอะค่ะอาจารย์อื<ม>นิยมรายงานอาจารย์ค่ะสิ่งที่พบเจอมาค่ะ ดียินดีได้ยินยินดีที่ได้มีการพัฒนาการมีคราบเข้าใจดีมากขึ้นไปเพราะมันต้องมี<ะ>สามารถที่ถี่มันในเยื่ผักดา น, นให้เราไปปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นใช่ค่ะโดนเมษาถึงจะไปค่ะอาจารย์ช่วงนี้ยังเคลียร์งานไม่ลงค่ะอะอย่าลืมบางทีอาจจะไม่ถึงเมษาตายก่อนก็ได้ยงคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเหมือนกันอาจารย์แต่ว่าใจคือยังอยากไปค่ะอาจารย์แต่ว่ามัน มันเคลียร์ไม่ได้มันไมอยากไม่ต้องไปหระที่บ้านนี่แหละปฏิบัติได้ทำอยู่ค่ะที่บ้านทำอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่ดีมันอยู่บนเขาคอาจารย์มันทำได้อยู่กิเลสมก็รอเราอีกมันรอให้เรารอไปบนเขาส่วนที่บ้านก็เลยไม่ทำทำจริงทำที่บ้านให้เราเป็นบนเขาไปไม่ได้เลยมันจะได้ไม่ต้องไปบนเขาให้เสียเวลาห้องเราเนี่ยหาห้องว่างๆสักห้องหนึ่ถังตัวเองไว้ในห้องนั้นึะมันก็ได้อยู่บนเขาแล้วมันมันมี โยมมันมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเมื่อเราหยุดความคิดไม่ว่าอะไยีบทอิละอะไรอะไรยีบทใดค่ะมันสามารถทําให้เราสงบได้อยู่เสมอค่ะอาจารย์โยมโยมคิดอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะไดถ้ถ้ามันสงบได้มันก็ไม่ต้องไปมวนเข่าอะไรทำตรงที่ที่ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะคือเวลาทํางานเนี่ยโยมก็อยู่กับงานมันก็รู้สึกมันสงบขึ้นค่ะอาจารย์จากคนที่ใจร้อนสุดโตตอนนี้คือแบบ ใครจะว่าอะไรก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็หายเองวันวันนั้นนะคะอาจารย์แต่มันสู้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ทําอะไรมันแมันจะสงบกว่ามากใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์สาทุกขะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะรู้สึกว่าจากคนที่ใจร้อนกลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปค่ะอาจารย์ออทำมากเลยเป็นของเย็นค่ะแต่โยมก็ยังสีแปดอยู่นะคะอาจารย์สีแปดล้วมื้อเดียวอยู่น้องๆบอกว่า เมื่อไหร่จะพาไปเลี้ยงเขาตกเบอร์กันอเออแกก็เลี้ยงฉันมือเพลนสิอย่าไปเลี้ยงฉันมื้อเย็นอ่าดีสาธุอาจารย์สาธุอาจารย์ไปที่อาจารย์พรมพิรายต่ออาอธรรมอ่อกันยังยังค่ะรออยู่ค่ะเห็นคถามอยู่อเป็นยังไงบ้างสบายดีนะพระอาจารย์นี่ฮะ ก็แข็งแรงขึ้นนะคะ อ, อาการากต่างๆค่อยๆหายไปธรรมาโอโสดใช่ไหมคะก็มันร่างกายมันก็มอนกบรักษาจมมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมีวเวลาพักผ่อนนั่นเองก็เวลาเทสหลายวันติด ก, กันนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสวัสดีค่ะก็ไม่เป็นไรก็คุยกันนะ คุยกัไปค่ะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรอะค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะไม่ไม่ได้เข้านะคะแต่คงฟังข้างนอกได้ได้จ้าเพราะคนข้างข้างคงจะสงบอยู่ในห้องผ่าตัดอยู่ไปดูแลกันนะช่วยให้กําลังใจกันค่ะแต่ก็ฝันข้างนอกได้ไปปลอดภัยแล้วเข้าค่าปลอดภัย หลจากเราคลายไข้เจ็บก็คิเ่าคงน่าจะปลอดภัยค่ะราะว่ามองนะคะอืมถ่าเจอกลับขอบคุณาคารยอ่ า, อ า, อาอมา<ะ>ที่คุณฝนแชร์คุณฝน ก, การมัฒนการค่ะพระอาจารย์เอ่าพอดีวันนี้จะมาเรียนว่าเมื่อวันจันทร์นะค่ะมีบททดสอบเรื่องเวทนาเข้ามาค่ะเพราะว่าอ่าคืณวันจันทร์พอดีป่วยอะค่ะก็เลยต้องแบบเข้าไปโรงพยาบาลตอนกลางดึกแล้วทีนี้เหมือนว่าคุณหมอเขาต้องให้ยาทางเส้นเลือดนะคะก็เลยมีการเจาะเจาะเข็มเข้าไปหนูก็เมื่อก่อนก็กลัวมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็พอมีอะไรขึ้นมาก็จะนึกถึงคําสอนของพระอาจารย์เลยค่ะว่าร่างกายมันเป็น ธาสีดินน้ำลมไฟอะค่ะหนูก็<ม>ท่องท่องแล้วก็แบบพุทโธเลยเพราะว่าคือรู้อยู่แน่ๆค่ะว่าต้องเจอกับ<ม>ความเจ็บอะค่ะ<ม>แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ว่าอยากให้มันหายไปนะคะแต่ว่าคือเหมือนยอมรับอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็<ม><ม> ก, ก็พิจรารณาเออร่างกายเป็นธาสีดินน้ำลมไฟนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือถ้าไม่ไหวก็ภาวนาพุทโธแล้วตอนเขาแทงเข็มลงไปแบบทิมไปอยู่สักพักหนึ่งอะคะ่ะมันก็เจ็บนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ ก็รู้ว่าเจ็บอะค่ะก็แค่นั้นนะค่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะแล้วก็แล้วก็จบมาค่แค่นั้นนะคะพระอาาชิตแล้านี้เราไม่มีปฏิกิริยาความรู้สึกได้คําสอนพระอาจารย์นะคะไม่งั้นใจก็คงทุกทรมานก็คิดว่าใจเป็นผู้รู้อะค่ะถ้าเกิดผู้รู้ไม่ไปตามร่างกายก็ก็น่าใจใจก็รู้เฉยๆไปก็รู้เฉยๆดีดีเขาราจะค่ะเนี่ยประโยชน์ของการปฏิบัติต่างนะ ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปทุกข์น้อยลงไปเยอะมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเจ้าค่ะก็กล่าวเป็นพระอาจารย์สั้นๆแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่รบ ก, กวนแล้วเจ้าค่ะโอเคทําไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆนะาาสตงนี้สําคัญมา ก, ากเจ้าค่ะยังยังฝึกตลอดเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุญญาขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้ญญาค่ะขอบุค่ะในที่คุณหมอภาษนาข้อธรมอ การทำมัสการค่ะพระอาจารย์การก็ยังฝึกสติปัญญาอยูยย่ตลอดน ะ, ะนั่งสมาธิแล้วก็ยังสงบร่มเย็นอยู่พระอาจารย์แล้วก็ฟังฟังหลวงปู่ชาจะจบแล้วค่ะเหลือเหลือแค่กันเดียวเรื่องอะไรนะวันเข้าวประดับดินแล้วก็จะขึ้นขึ้นใหม่เป็นหลวงปู่สุวัต ส, สุวัจโจใช่ไหม <laughs> จานทร์ที่พระอาจารย์ให้มาก็ฟังแล้วดีมากเลยพระอาจารย์เพราะสมัยก่อนชอบอ่าน่ะ่ทีนี้รู้สึกว่าฟังแล้วมันเข้าไปถึงใจได้ดีมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพระอาจารย์คือแบบว่า มันรู้สึกได้ว่าแบบมันมันสงบแล้วมันตอบสนองต่อสิ่งรอบๆเนี่ยมันมันก็คือมันดีเพราะว่ามันเหมือนกับมันก็รับได้แล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นศุกเป็นทุกอะไรก็เข้าใจที่พระอาจารย์ผู้เลรกค่ะรู้สึกว่ามันก็ดีตลอดดีต่อสาธุจ่าขอบคุณคุณพระอาจารย์มากมากเลยค่ะโอเคคุณสุภาจ่าเท็กซัสเจน กลับนมาตการพรอาจารย์เจ้าค่ะรู้ไว้มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคถึงคุณโอ้พีเคอ้ถึงภูเก็ตแล้วยังเหรอน้ำกลับนมาตการพรอาจารย์เจ้าค่ะยังไม่ถึงภูเก็ตเจ้าค่ะภรอาจ า, ารย์อืมยังอยู่ระยองเจ้าค่ะภรอาจารย์โอ้เดี๋ยวนี้เชี่ยขเกาแล้วโอ้เชีย่ยขึ้นเขาเจ้าค่ะ พระอาจารย์มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะเวลาไปปีกวิเวกไหมเจ้าค่ะก็ให้มีสติทั้งวันทั้งคืนนะฝึกสติอย่างเดียวไม่ต้องกังวลเรื่อ่าสวัสดีที่นี้ยถ้าลูกไม่สะดวกลงมาลูกอาจจะรับฟังผ่านทาง facebook หรือว่ายูทูบได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ได้มไม่ต้องลงมาดีกว่าได้ประโยชน์ก็รอไปปีกวิเวกแล้วอย่าอย่าออกมาเลยดีกว่าคขังตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ นำนำไปปฏิบัติค่ะเห็นท่านอื่นก้าวหน้าแล้วต้องต้องพยายามให้มากกว่าเต็มเจ้าของพระจารย์ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไจ้าค่ะโอเค่ะโอเคคุณคุณนพวรรณเนี่ยเจนนพวรรณกับนวัสการพระจารย์ค่ะมาฟังธรรมค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคเนีนไปที่ ไปที่คุณสันนี่แบงก์กอกเชิญคุณสันนี่ตแลนมัสการพระอาจารย์ค่ะมาร่วมฟังธรรมไม่มีคำถามค่ะโอเคองั้นไปที่สเปนคุณพัฒนาพรตาับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อวันนี้ฟังธรรมหลวงพ่อแล้วมันมันถูกต้องมันใช่หมดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาลูกเห็นตามทุกสิ่งทุกอย่างเลยเจ้าค่ะ แต่ว่าในเมื่อเรายังขึ้นทางด่วนไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็ต้องขับแล้วก็ต้องขับไปใด้ทางด่วนใต้ทางดว่ดวนไปก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอืเจ้าค <pan> ่ะแต่ลูกก็อยู่กับความสงบแล้วก็ว่างเปล่าเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิมันมันว่างเปล่าเห็นความสว่างสงบเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอืมด <detto> ีเจ้าค่ะ ดีเขากลับไปได<ล>้เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อค่กลับไปวันอาทิตย์กลับมาบ่อยเจ้าค่ะเพราะว่าเครื่องบินแค่สองชั่วโมงถ้าเขาไม่มีเรียนอที่ อ, อะไรเขาก็าจะกลับนะคะอาทิตย์หน้าก็จะกลับมาอีกเั้งค่ะอืเรามีบุญนะไปมาได้อย่างสะดวกสบายเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอไม่เหมือนเร า, าสมัยไปเมนืนอกไปแล้วห้าปีไม่ได้กลับบ้านเลย ไม่มีเงินไม่มีเงินค่าเครื่องบินไม่มีเวลาด้วยเวลาต้องก็ไปทํางานหาเงินอาทองช่วงปิดเทอมมันจะบินกหาพ่อหาแม่ใช่ไหมะนี่นี่เขาก็ขยันทํางานก็ลูกก็บอกว่าอ่าให้ให้ให้ทําน้อยๆ อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะเขามีความสุขของเขาไม่ได้ให้เขาทำเพราะ <c oughs> ก่อนอื่นให้ลูกทํำแต่เราลูกก็บอกว่า ทำไม่น้อยๆให้ให้ไปโฟกัสเรื่องเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ทําของเขาเขามีความสุขของเขาใช่ปะแล้วก็ดีการรู้จักแบ่งเวลาก็กันใ้่ค่ะก็ก็มืองที่เราก็เห็นเขาเครียดอะไรเขาก็แล้วก็ชอบงานเชียรตี้อะไรอย่าเงี้ยเขาก็เขาก็จะทํมามามางานบุญงานบุญเขาทํามาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรโรงเรียนแบบคทํามาตลอด ทำจนลงนิดให้แบบจนบางทีเข า, าทําจนหมดจนแต่ว่าแม่จะรู้อย่างเงี้ยค่ะก็จะจะดูของพ่อพ่อนมอดนาดูหนึ่งแล้วนะคะแล้วแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรสน้าหลวงพอ่อรูกก็มีความคิดอยากขึ้นทางดวงนะสิคะแต่ว่ายัางไปไม่ได้จะไปลองต้องต้องต้องใช้เวลาสร้างสร้างกำลังสร้าง แล้วก็ปลดเพื่องพาะราต่างๆให้ได้ก่อนใช่ๆๆค่ะก็ก็ค่อยๆเขียอวที่ตอนนี้ที่บ้านก็ค่อยๆเขียวแล้วก็แล้วก็มีอ่าสามีก็คือก็จะเซ็นพินัยกรรมอ่าให้ลูกเราเสร็จลูกก็บอกว่าให้เซ็นให้ให้ลีโอเข้าไปเลยเพราะว่ามาเซ็นให้ลูกอย่างไี้ลูกก็ต้องให้เขาแล้วอยู่ดี อ, อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออันนี้ลูกก็เป็นการที่ ลูกลูกไปยกไปเองอ่านใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องมาไปภาระขังวนกันมั้ลูกกระบอกกระบอกเอาแล้วก็น้องสาวซิมังไทยก็บอกว่ากลับมาอะไรเงี้ยอา่าเขายกที่ดินให้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วลูกกะบอกไม่เอาไม่เอาบอกเขาไปเลยว่าไม่เอาบอกก็บอกบไปแล้วว่ากี่เขาไม่เอาให้ให้ยกให้หนูอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ตัวเองก็มาจัดกายคบยืมยันยังไงเขาก็จะยกให้ตัวเอง ก็อแบบทําไมต้องยกทุกมาให้เราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกรับเขาไว้เป็นมารยาทก็รับกันแล้วค่อยว่ากันทีหลังทีรับแล้วเราไม่ไปไปแบกก็ไม่เป็นไรรับไปก็วางไว้เฉยๆไปจะค่ะพระลูกพยายามจะไม่รับอะไรตอนที่คุณพ่อเสียเหมือนกันก็ก็บางทีบางทีเป็นน้ําใจบางทีเพื่อเพื่อน้ําใจกันพอมีน้ําใจก็ต้องรับเลย เจ้าค่ะเพราลูกก็จะแบบอให้พี่น้องไปส่วนของลูกให้พี่น้องไปแบ่งกันให้หมดลูกไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลาบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพรลูกก็พยายามพยายามที่จะไม่พยายามที่จะคิดอืเจ mm hmm. ้าค่ะไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติมากทรัพย์ภายหน้าพออยู่พอกินก็พอเจ้าค่ะหลวงพอ่อมันเห็นไม่มีอะไรเลยมันวา่างเปล่า hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างเตายไปก็ไป ไ, ปไม่ได้ อบุนไปได้เอาบุญไ<ะ>ด้มันอยากร้องไห้มันปื้มปิติที่หลวงพ่อพูดกับทุกท่านวันนี้มันมันใช่ลูกเห็นตามหมดมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเค่ะอืมค่ะโอเคสาธุมีอะไรไม่ไม่มีแล้วนะ ม, มีอะไรเจา้าค่ะคอยหลวงพ่อมีพัศนขันแข็งแรงเจา้าค่ะหายป่วยเร็วๆนะค่ะอ่าเจริญใ จ, จคุณยุศสวัสดี กับนวัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นไงสเตยยังมีอยู่ป่ะมีเป็นช่งชวงๆค่ะ mm hmm. แต่ส่วนส่วนใหญ่เราไม่ไม่ก็หลุดๆบ้างค่ะพระอาจารย์แต่ก็ชอบแพ้กับการกับการ น, นอนค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอนั่งสมาธิไปแล้วมันสบายพอสบายแล้วมันก็เค้งตัวลงไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยบางบางวันนะคะ mm hmm. ค่ะแต่ก็ถ้าหากนึกว่าปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ก็จะฟิตขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ถ้าหากไม่ตั้งใจตั้งแต่แรกก็จเยะยาะใหญ่แย่บ้างค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะพระอาจารย์ค่ะเออก็คราวหน้าถ้ามันจะล้มตัวลงแล้วก็ลุกขึ้นมายืนแทนนะหัดสันดาน <c oughs> <c oughs> ยืนทอนะยืนทำสมาธิ <c oughs> แล้วก็หนูว่าหนูยังปัญญาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็บางครั้งฟังธรรมะหน้ากุตินะคะพระอาจารย์ข้อดีคือบางทีเหมือนไปได้ยินในสิ่งที่ตัวเองก็สงสัยอย่างเช่นบางครั้งค่ะพระอาจารย์ด้วยความที่หนูชินกับการชอบฟังอะไรไปด้วยทําอะไรไปด้วยอ่ะค่ะแล้วก็คิดเฉยๆว่าทํายังไงดีเราสู้ไม่ไหวเราสู้กิเลสความอยากไปฟังโน่นฟังนี้ไม่ไหวแล้วมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์สอน เรื่องว่าสติน่ะจะช่วยเบรกแล้วก็ช่วยได้ค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับพอหนุมเพลินกับการปัดดูอะไรไป ส, ะ ส, ะสะักสักบหนึ่งอะค่ะพะอาจารย์ก็จะดึงเป็นกลับมาเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้อยู่กับมือถือที่ยาวๆค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็ก็ดีที่ไปฟังพระอาจารย์พอดีค่ ะ, คะดีพยายามฝึกสติเยอะ้เยอะๆนะ ตอนเช้าตึ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ที่ฝึกสติได้ดีที่สุดเพราะเรายังไม่ต้องเจอใครไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็พูโทโธพุดโธพุดโธไปทําอะไรแล้วก็พูดโธไปหรือจดจ่ออยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนั้นเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกให้ดูกายหนูก็ยังคิดนะว่าเหมือนพระอาจารย์จะรู้ว่าข้างเร่งหนูเคยดูได้นะคะพระอาจารย์คือแต่มันนานมาแล้วช่วงนั้นฝึกแล้วข้อดีคือหนู เจ็บป่วยอะไรสักอย่างแล้วพอหมอเขาฉีดยาทําอะไรก็จะมองว่าเออก็มองว่ามันเป็นท่อนๆหนึ่งแต่หนูยังไม่ได้มีความรู้ว่าเออมันเป็นธาตุนะมันเป็นอะไรนะขนาดนั้นนะคะ mm hmm. แต่เมื่อกี้ที่คุณฝนมนะคะที่เล่าให้ฟังพอฟังพระอาจารย์ไปก็ยิ่งรู้สึกว่าเออดีจังเลยเดี๋ยวรอบนะี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูต้องต้องมีต้องมีฉีดยาเข้าตัวเองนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเลยคะ่ะพระอาจารย์ฉีดเข้าธ mm hmm. าตุดิน่ะอาจัง อดี๋ยวลองดูค่ะเท่านี้ ม, นมันก็แค่มดกัดเท่านั้นแหละเข็มมันโดยเข็มอะไรบ้างวายมันหวาดเสียวค่ะฉีดเข้าตัวเองนึกว่วาเราไปปรุงแต่งกันเองอ๋อปรุง แ, แต่งก็เป็นตัวเราพูดถึงปรุงแต่งนะพระอาจารย์เล่าแป๊บเดียวค่ะล่าสุดมันมีตุกแกะค่ะพระอาจารย์ตกลงไปในถังขยะที่ทํางานนะคะ่ะแล้ว<ม> ไม่คือมันก็คงจะหมดแรงพระอาจารย์ที่มันจะตะกายขึ้นมาเพราะถังข ย, ยามันสูงสูงหนูก็หนูก็ไม่ได้อยากจะแบบคือหนูว่าหนูเป็นคนไม่กลัวสัตว์อะไรนะพระอาจารย์หนูก็พยายามที่จะเอามันออกแล้วสุดท้ายพระอาจารย์หนูคงไปปรุงแต่งที่พระอาจารย์พูดหนูว่าพยายามจะไปเขีย่ยขยะที่ติดตัวมันเพราะมันไม่ยอมวิ่งอะ่ะแล้วหนูก็อีเองอะพระอาจารย์คือมันเหมือนกับจริงๆมันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมพระอาจารย์แต่ว่าตอนนั้นสติหนูแตกแล้วค่ะเพราะมัน ตุ๊กแกมันเป็นสัตว์ที่พระเจ้าไม่รักเลยค่ะมองยังไงก็หาจุดน่ารักไม่ได้เลยพระอาจาหนูหลับไม่ได้แตหนูกก็สงสารมันนะคะคือแล้วคนอื่นก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาจารย์เดี๋ยวทิ้งขยะไปเอามันไปทิ้งกระพอแล้วมันไม่ได้ทําใจไม่ได้หนูก็เทหนูก็ทําถังขยะให้มันล้มและอาบเผื่อเดินออกมาแต่มันคงเหนื่อยอะพระอาจารย์หนูก็เลยก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเก็บขยะเองหนูก็เทเทขยะออกมามันก็ยังไม่ออกอีกปรากฏว่า ขยากปเปรียบเปรียบไปพันตัวมันไว้อะ่ะหนูก็เอาด้ามไม้กวาดไปไ ป, ไปอยู่พี่อาจารย์คะหนูเดี๋ยวถ้าเกิดเจอตัวถัดไปหนูจะลองไม่ปรุงแต่งว่ามันพระเจ้าเกียดมันมากนะคะหรือแบบมันหาอะไรน่ารักไม่ได้เลยอาจารย์นากก่ากลัวมากเลยแต่หนูก็ปลดปล่อยมันนะคะต่หนูกลัวคะ่ะเดี <c oughs> หนูจะไม่ปรุงแต่งคะ่ะเดี๋ยวจะไปฉิดยาเข้าตัวเองแล้วลองมองเฉยๆลองไม่ปรุงแต่งดูค่ะค่ะให้ดูเฉยๆให้เห็นเฉย ค่ะอาจารย์ค่ะโอเคสาธุขอพระอาจารย์ท่านแห่งแรงแล้วนะคะสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณพรดาเชิญตอนนี้อยู่บนเขาเลยพระฤดาการรำการ์ค่ะอาจารย์ยางค่ะไปวันที่สิบแปดค่ะค่ะอยู่บ้านค่ะก็ไม่มีคำถามวันนี้ต้องฉลองวันบาลานไทน่อยเลยไม่มีค่ะ วันนี้มีเพื่อนเข้ามาด้วยค่ะอ่าใช่ก็ยังรหนัอกวันเมื่อกี้กับ่านนพวันแล้วก็มีอันนันอีกคนใครเลยชื่อสุชัยศรีค่ะอ๋อยังไม่ถึงคิโวค่ะค่ะยังอยู่อยู่อยู่หน้าเยยังไม่ได้เปิดด้ยค่ะโอเคครับเป็นเพื่อนกันเลยอยู่ที่อยู่ที่ไปฟังไปฟังหน้ากุติค่ะเมื่อวันศุกร์แล้วก็แล้วก็วันอาทิตย์ไะหาที่ถ่ายรูป ค่ะอาจารย์โอเคยังปฏิบัติอยู่นะค่ะสู้ไม่ถอยค่ะโอเคดีจ้ะอ่าค่ะพอาจารย์สายทิศต่ออาจารย์สายทิศกับนาัส ก, การพระอาจารย์เจค่ะ อ, อืมอ๋อ ไ, ไ, <c oughs> ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามีรายงานนิดหน่อยค่ะว่าตอนนี้แผนที่จะ สร้างบ้านไปอยู่บ้านสวนค่ะพระอาจารย์น่าจะอีกสักสองปีสามปีจะสร้างบ้านหลังไม่ใหญ่มากไปอยู่คนเดียวค่ะที่บ้านโอเคค่ะพี่ว่าบอกไปเลยค่ะก็คงจะได้ปฏิบัติในอนาคตค่ะพระอาจารย์คิดว่าน่าจะได้อยู่จนจนจนแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ไกลบ้านบ้านมากเผื่อที่บ้านเข้าแง จะไปเยี่ยมก็ได้แต่ว่าคิดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ที่นั่นค่ะจะได้ปฏิบัติให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะพระอาจารย์แต่คงคงถ้าถ้าไปอยู่ในช่วงสักสองสาปีก็จะไปอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอแค่ว่าสักอายุห้าสิบห้าขึ้นไปอาจจะลาออกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> จะไปปฏิบัติค่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็นั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปล่อยวาง ให้ได้รักกันเรื่อยๆค่ะถ้าปฏิบัติได้มากเท่าไหร่มันก็ได้ผลมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งเป้าแล้วก็คุณพ่อก็ไปขอบ้านเล็กที่ไปให้แลบวเรียบร้อยค่ะ <c oughs> ค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคค่ะเด็ค่ะสาธุจ้ะสาธุค่ะคุณปุ้ยรักซําเบอร อมามนมัสกัดค่ะพระอาจารย์ยังถือสินเจ็ดอยู่แล้วถือสินเจัดกังวันถือสินแปดกลางคืนค่ะพระอาจารย์หลังหกโมงถือสินแปดค่ะไม่ไม่ถือตอนตอนก่อนนอนดิโ <c oughs> <c oughs> ยมโ ย, ย, ยมไม่ทานข้าเย็นมาเป็นปีแล้วค่ะพระอาจารย์บางคนท่าจะถือสินตอนก่อนนอนแล้วก็เขาออกจากพอเขาตืขึ้นมาก็ออกจากสิน ขอรักษาสิ<ม>ช่วงนี้ก็นอนดนะ้วยมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกจะมีก็แค่ว่าเวลามันตื่นเนี่ยมันคือคือยมนั่สมาธินะคะสวดมนต์ไหว้พระทีนี้พอยมตื่นมาเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยมาช่วงสองวันเนี่ยเหมือนตัวขี้เกียจมันเยอะมากเลยพระอาจารย์เพราะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันเหมือนอะไรมาถ่วงตัวพระอาจารย์แล้วมันทำให้เราล้มไปนอนอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะค่ะอาจารย์อยมก็ทำไมมันเหมือนกับโรคอะไรสักอย่างกลับมาโรคกีเกียดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้าโยมมาบานมาไล่มันเชิโยมมาบานมาไล่มันถ้าโยมจริงจริงพระอาจารย์เดี๋ยวโยมก็เลยเอากระถาพยาโยมเลยโยมต้องกระถาพยาโยมเลยก่อนนอนแล้วโยมก็เลยบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเ อ, อช่วยช่วยลูกด้วยเพราะว่าให้ลูกอะตื่นรู้ อื่นในเช้าอยากขี้เกียจในการปฏิบัติธรรมยมจะบอกอย่างนี้ตลอดเวลาก่อนนอนนะคะอแต่ต้องคิดถึงความตายทุกครั้งที่ขี้เกียจมันเดี๋ยวก็ตายนะนะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ย้อนมัวมาใช่ค่ะมาหลับมานอนยมขี้เกียจไม่ได้อะเพราะยมไม่อยากทําบาปแล้วแล้วยมอยากจะยมบอกแล้วว่าจะตั้งจิตเอ่อตั้งจิตอธิษฐานจะเดินทางธรรมเพราะว่ายมเห็นพระอาจารย์อ่ะ มีความมุ่งมั่นมากและถ้าโยมจะเป็นลูกศิษย์โยมต้องไม่ให้เสียชื่อพระอาจารย์อโยมก็เลยบอกว่าอย่าให้โยมต้องทำบาปเลยเพราะทุกเช้าเวลาโยมถวายข้าวพระโยมจะบอกกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าช่วยช่วยลูกด้วยอย่าให้ลูกทําบาปนะให้ลูกได้เดินทางธรรมให้เปิดทางสว่างโยมจะบอกอย่างนี้ตลอดเวลาโยมไม่ได้ไปของเงินขอทองอะไรนะพระอาจารย์มมื่อก่อนทําค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทำเดีย๋ยวนี้ไม่ทําเลย ขอก็ไม่ได้พุทธเจ้าบอกอัตตาหิอัตโนนาโทใช่โยมว่างั้นแหละค่ะอืมพระอาจารย์พระอาจารย์เอดีขึ้นไหมหรือยังคะดีขึ้นแล้วไข้หายแล้วไข้เคยหมดแล้วเพียงแต่มีอาการเล็กๆน้อยๆเหลืออยู่อืพระอาจารย์ลงโยมก็เป็นเหมือนเหมือนกับพระอาจารย์เขาไม่สบายวันเดียวกันเลยโยมเวลาหายไปเนี่ยก็มันเจ็ดวันนี้โยมก็กลับมาอีกอย่างเนี้ย เอโยมก็ทานน้ำมะนาวกับน้ำพึ่งแล้วก็ใส่ขิงลงไปอ่ะคะ่ะอพระอาจารย์ลองสิไมียายมทํามาถวายเย้ยอ่าค่ะขอยมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเออยมก็ตั้งหน้าตั้งาตงาทําของโยมอย่างเงี้ยเนี่ยนะกังวันก็เจ็ดกงกลางคืนก็แปดคะ่ะยกเว้นแต่วันพระค่ะอพระอาจารย์ต้องยกเว้นให้โยมสักคนนะคะแต่โยม hmm. ไม่ทําบาปน ะ, ะ้วค่ะพอโยมถือพรมอาจารย์อย่างนี้เรื่องอย่างนี้โยมก็ไม่เอาแล้วแล้วก็ เนื่องบบกรรมโยมก็ไม่เอาแล้วค่ะดีมากาาดีมากสาธุสาธุาธใช่ <Okay. S 2> และโยมก็ตั้งจิตภาวนาแล้วว่าเอ่ยยังไงเราทํามาปีางแล้วเราเราก็ต้องทําต่อไปเพราะว่ามันมันสงบอะมันสุขแล้วมันไม่เหมือนกับว่ามันไม่เหมือนกับการไปเที่ยวผับเที่ยวบาหรืออะไรอย่างนี้และสิ่งที่พอาจารย์สอนโยมก็นํามาใช้ได้ปรับใช้กับชีวิตประจําวันค่ะการใช้สติทําให้โยมมีสติมากขึ้นใจเย็นลงนะคะ ดีดีมากโอเคยมยมถวายบุญกับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์พระฐานแข็งแรงนะคะย่าขอให้คุณปุยจะบปฏิบัติทุกวันค่ะขอให้คุณปุ้ยมีความสุขความสมหวังให้ร่ำให้รวยนะค่ะสุขสุขสรรวันวาเลนไทน์ค่ะพระอาจารย์อ่าดีอ่าสาธุมาดิคุณยินดีอาจยินดีแคนเซส ค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์อไปยังไงบ้างวันนี้หนาวหมนี่หนาวค่ะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมันเริ่มสปริงนะคะช่วงนี้อากาศจะเป็นอันนี้เขา<อ>เขาเปลี่ยนเวลาอย่างเปลี่ยนเวลาใช่ไหม ย, หมยัค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่าอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์รักษาสุขภาพก่ะท่านอาจารย์เดวิก็ขอให้หนูกับเดวิก็ขอให้ท่านอาจารย์หายเร็วๆค่ะแล้วก็ บอลชงเต้ค่ะอาจารย์ย่าสาธดอาจารย์มรณาย่ค่ะครับอาจารย์รขอบคุณทย่างสูงค่ะโอเคอต่นะไม่ต้องหม้นต่อนครปฐ ม, มพระอาจารย์ได้ยินกับจากทุกค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะย่าได้ยินจ้ะค่ะกอ็อที่ผ่านมาเมื่อวาน วันจันทร์นะคะหนูก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะพระอาจารย์พอดีพ่อกับแม่จัดงานที่บ้านนะคะหนูก็เลยไปรับหน้าที่เป็นแม่บ้านเจ้าขาพระอาจารย์ก็ดูแลเรื่องความสะอาดภายในบ้านนะคะแล้วทีนี้คือย่านที่น้องเขาก็เห็นว่าเออมีปัญหาเรื่องร่างกายใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์เขาก็เห็นหนูทำงานไม่หยุดไม่หย่อนนว่า สำหรับว่ามันสนุกมากเลยค่ะพาารอววะอาจารย์ก็คือเรื่ความสะอาดทั่วบ้านเนี้่ค่ะคือด้วยที่ทําไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอย่างเนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่มีอาการที่ว่าจะเหนื่อยหรื อ, ห ร, อหรือเพียเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยลืมลืมเวลาแบบมันก็เลยดูประเมินตัวเองอะค่ะพระอาจารย์ก็แบบว่าไม่เพียไม่เหนื่อยทําความสะอาดได้ทั้งวันเลยอย่างเนี้ยเจ <X D> <คโ>้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยปฏิบัติไปด้วยก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ว่าทั้งความสะอาดยังไงให้มันสะอาดอย่างเงี้ยเจ้าข้าพเจา้า mm hmm. ก็เลยไปถามจังหวัดก็เลยอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ก็เลยว่าพอญาติพี่น้องถามหนูก็เลยบอกว่าอ๋อบอกป้าๆบอกว่าป้าๆต้องตั้งใจปฏิบัติงานะอะไรเงี้ยเนี่ย mm hmm. ข้อดีของการปฏิบัติธรรมธรรมเอาสดนะคะป้าๆอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเห็นว่าอู้ทำไมหนูพาตัดเยอะมากอะไรนี้ทําไมทํางานได้ได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกว่าอ๋อ ต้องปฏิบัติธรรมเยอะๆป้าๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์หนก็เลยดีมากดีมากทํา ง, งานด้วยสตินี่มันทําให้ใจเบาใจสงบมีความสุขสาธุเลยเจ้าข่าโอ้โหมีความสุขมากเลยบอกว่าโอ้ร่างกายหนูมีปัญหาใจหนูมีความสุขมากเลยป้าๆก็เลยสนุกดูแลความสะอาดทุกจุดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุไม่มีอะไรใช่ไหมพอเจ้าข่าสาธุค่ะอื คุณสุชัยศรีเหละคุณชายศิระที่เป็นเพื่อนคุณพรลดาป่ะไม่ใช่ใช่นรรมะสการค่ะพระอาจารย์เป็นเพื่อนกับอ้อมค่ะแล้วก็นพวันค่ะพระ อ, อาจารย์ค่ะได้ไปเ อ, อฟังธรรมหน้ากุฏิแล้วก็ไปใส่บาตรกับพระอาจารย์มาช่วงสุดปสัปดาห์ที่แล้วค่ะแตส่สายแม่เลยจําหน้าไม่ได้ ค่ะคือก็อ้อมมากระตุ้นนะคะอ้อมเป็นเด็กหน้าห้องเอื้อเป็นเด็กหลังห้องค่ะอืก็คคเคยปฏิบัติมาบ้างอยู่แต่ว่าก็เลวไหลไปบ้างเกเรไปบ้างเนี้ยค่ะก็อ้อมมากระตุ้นก็เลยต้องมาขยันเรียนตามอ้อมค่ะดีมีมีการอยอมรับที่ดี ใช่ค<ม>รับอาจารย์<ม>ก็หลายจากนั้นก็มากลับมาปฏิบัติต่อที่บ้านก็นั่งสมาธิวันครึ่งชั่วโมงหรือฟังท่านไปบ้างเนี่ยค่ะอาจารย์เมืม่อวันก่อนได้ฟังธรรมของหลวงพ่อวิลียังอะค่ะท่านเทศเก<ม>ี<ม>่ยวกับสมาธิแบบทําตามธรรมชาติก็เหมือนแบบเหมือนน้ําที่ไหลไปมันก็ก่อเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าเราฝึกหรือเราควบคุมได้เหมือนกับการสร้างเขื่อนมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าแบบเหมือนเอาไปทํากระแสไฟได้ ปอยตามที่แห้งแล้งได้อะไรเงี้ยค่ะ อ, อันนี้คือหนูก็อยากถามว่าสมาธิตามธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับความหลงไหมคะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ท่านเปรียบเทียบว่าทาตามามัมนแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถมามาใช้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ <c oughs> คือจิตของเราถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกมันเราไม่มีสติคอย ยับยั้งมันก็เหมือนกับว่าปล่อยให้น้ามันไหลไปเรื่อยๆน้ามันไหลไปมันก็ไม่มีประโยชน์มากนะเท่ากับน้ําที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนใช่ไหมเพราะถ้าเรามีสมาธินี่ใจของเรานี้จะมีพลังมีกําลังที่จะสามารถที่จะสู้กับกิเลสตัณหาความความอยากต่างๆแล้วก็ทาให้ใจเรานี้มีความสุขด้วยอืม ก็พยายามปฏิบัติต่อไปค่ะไม่ใช่ความหลงนะไม่ใช่สมาธินี้เป็นธรรมค่ะเป็นของดีอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสมาธิสมาธิไม่ได้ทําให้เราทุกข์สมาธิทําให้เราสุขพ <c oughs> ยายามทำเยอะๆทาทําได้ทั้งวันเลยยิ่งดีโอเคยาวกับพระอาจารย์โอเคสาธุจ้ะ คุณมาเลเช่นคอามอุธากาศยังไงกล่าวหลวงพ่อคะ่ะก็ปฏิบัติทุกวันค่ะคไปอยู่วัดมาค่ะหลวงพ่อวันหยุดหลวงพ่อได้ได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินได้ยินเพียงแต่เราปิดใหม่เมื่อกี้ต้องไอต้องจ่ดต้องแกมหน่อย วันนี้เสียงหลวงพ่อเป็นเป็นหวัดหรือเป็นใชมันมันดวนต่อเนื่องมาจากเป็นหวัดมันปวัดมันจะหายแล้วแต่เสียงมันยังไม่หายเจ็บคอไหมคะหลวงไม่เจ็บอะมันเป็นมีเสมหะไปบางทีก็ไปทําให้มันเสียงแหบหนะค่ะหลพปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปอยู่วัดมาค่ะหลวงพ่อดีไหมดีดีมากเลยค่ะหลวงก็ปฏิบัติ แบบเต็มที่อะค่ะหลวงพ่อน อ, อนนอนน้อยแล้วก็ทําทั้งเดินทั้งนั่งแล้วก็มีพระอาจารย์มามาสอบอารมณ์ให้บ้างค่ะมาถามว่าติดอะไรตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ออนั่งนั่งยาวอย่างสมมตินั่งสามชั่วโมงติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปฏิบัติ ด, ดีดีมากค่ะหลวงพ่อน่สงบไหมสงบค่ะหลวงพ่ อ, อ ก็สงบนิ่งไม่คิดปรงแต่งอะไรนะค่ะแล้วมันอพอกลับมาก็มาปฏิบัติมันเหมือนเขาเรียกว่ามันมันจะจิตมันจะเข้าสมาธิอยู่ตลอดอะ่ะค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมีสติเยอะเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกแ่้<อ>ค่ะหลวง่ออืมค่ะก็ดีถ้าไม่มีใจต้องทํามันจะเข้าก็ปล่อยมันเข้าไปค่ะถ้า ม, มีใจต้องทําก็ใช้สติหยุดมันไว้ก่อนก็ได้ค่ะ แล้วมันก็จะเหมือนแบบถ้าไม่ได้มีอะไรมันก็จะเข้าอยู่เป็นสงบอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยหนูหนูหนพอพอมาถึงประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อทีเนี้ยตรงด้านปัญญาค่ะหลวงพ่ออ่าพูดต่อไปพอพอมาถึงเราจะมาอาทางด้านปัญญาค่ะหลวงพ่อทีเนี้ยมันจะทําให้ เหมือนวางอะไรได้พูดไปเรื่อยๆฟังอยู่อ๋อค่ะค่ะมันจะทำให้เราค่อยๆวางทุกเหตุการณ์ที่มันเข้ามากระทบ เ, เราที่ให้เข้ามากระทบจิตใจเราอ่ะได้ง่ายได้ง่ายสุดอ่ะก็ดีทำไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆไม่มีพไม่มีความรู้สึกอะไรเฉยๆไปคือมันสามารถทำให้เราระงับ รงบหรือว่ามีเบรกที่ใจไม่ให้แบบเหมือนให้ไม่ให้มันสถานการณ์ที่มันแย่ลงไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่ก่อนเราก็จะจมไปทั้งทั้งหมดเลยทั้งใจเราว่าเราทุกเราลําบากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อมันเหมือนมันเหมือนมันทําให้เราค่อยๆห่างออกจากทุกมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันหนูเข้าใจถูกต้องนะถูกต้องดีนะค่ะใช่ เราไม่ซ้ำเติมแล้วรู้เฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆแต่ไม่เราไม่ซ้ำเติมตัวเราเองค่ะก็จะพยายามไปอีกอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอดีเสาร์เสาร์อาทิตย์นี้ยหนูไม่ยังไม่แน่ใจว่าพระที่วัดท่านจะออกธุ ด, ดงค่ะค่ะหลวงพ่อก็เลยยังยังไม่แน่ใจวด่ดูถ้าไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านไปค่ะหลวงพ่อ วันนี้หนูหนูไม่ไม่มีคําถามอันนี้หนึ่งค่ะหลวงพ่อพอดีหนูได้ยินมามีคนเขาพูดกันถึงว่าให้ดูจิตดูจิตตัวเองอย่างเงี้ยมันมันหมายความยังไงคะหลวงพ่อแล้วต้องทํำยังไงการจะดูจิตได้มันต้องมีสติหยุดจิตให้ได้ก่อน<ะ>ถ้ามีไม่มีสติอยู่จิตดูไปเวลามันโลกิกเราก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโกรธเราก็หยุดมไม่ได้เพราะให้ดูจิตก็ดูกิเลนั่นแหละ อ๋อก็คือให้ดูให้ดูให้เรารู้สึกตัวรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์สัมผัสอะไรทุกอย่างถ้ามันไม่ดีก็หยุดมันเสียออถ้ามันเลอะก็หยุดมันเสียถ้ามันก่อก็หยุดมันเสียหนูได้ยินคําว่าดูจิตดูจิตหนูก็เลยนี่มันยังไงบางทีคนที่เขาพูดเขาก็ไม่รู้อ่ะก็ดูอะไรเขาก็ไม่รู้ค่ะก็คือทาไมเราไม่ถามว่าดูดูจิตดูอะไรถามก็าดูเขาก็จะพูดกันเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายอะไร นั่นแหละคือ<ม>พวกนี้หอดเก่งอดรูนะ้งนั่นถ้าหนูทําความเข้าใจของหนูก็คือว่าให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของตัวเองให้ใหมันให้มันสงบหรืออย่าให้มันอย่าให้มันไปทางกิเลสอย่าให้มันไปทางความโลภความอยากต่างๆค่ะข<ม>้อพยายามปฏิบัติต่อไปอ่ค่ะหลวงพ่อ<ม>ปฏิบัติให้เต็มที่ค่ะหลวงพ่อ ดีถ้าไม่มีสติ ด, ดูจิตไปก็ทําอะไรมันไม่ได้มันโลภ ก, ก็หยุดมันไม่ได้มันโกรธก็หยุดมันไม่ได้รเราต้องฝึกสติให้หยุดจิตให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิตอีกทีตอนฝึกสตินี้เราใช้ใ ช, ใ ช, ใช้ใช้การดูจิตฝึกสติไม่ได้เราใช้การดูล่างกายแล้วใช้คําบริกีรำพูดโธค่ะแต่พอเรามีสติแล้วทีนี้เราก็มองดูจิตไนะพอเราจะหยุดมันได้ครับ หนูมีความรู้สึกว่ามันไอ้สิ่งที่เราวุ่นวายที่เราทุกแบบเยอะมากๆมันเหมือนมันห่างเราออกไปห่างออกไปแต่ว่ามันก็มีของมันอย่างเนี้ยค่ะพอมันห่างห่างแบบเออมันน้อยเราเป้าใจเราไม่ไปคิดถึงมันค่ะมันมันมันมีความคิดว่าถึงมันจะทุกแบบทุกเราเสียใจเราอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพอมันคิดอย่างนี้เหมือนมันเหมือนมันพลิก ใจเราอะค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมันเบาๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอดีแล้วล่ะจูกเตาโอเคนะ ค, ะค่ะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะห <Jer. S 1> ลวงพ่อรักษา ส, สุขภาพด<า> <Erik. S 1> ้วยนะคะไอเยอะมากเลยช่ะสาธุค่ะถ้ารักษาดินน้ำลมไฟน่าจะรักษาไปสิไอรกษาแต่เห็นไอแล้วแบบมันเหมือนเหนื่อยเหมือนเจ็บอยู่ข้างในอะค่ะหลวงพ่ออ๋อไม่เป็นไรหล่ะมันก็ดินน้ำลมไฟค่ะหลวงพ่อ ก็รู้ทันมันแล้วเราอย่าไปทุกข์กับมันทาน่านดิสําคัญ ค, ค่ะคขอทุกค่ะไปที่นาทิวาสคุณมาริกาเชิกลับน้ำมัตการเจ้าค่ะผ้ า, าจารย์ออตอนนี้กลับมาบ้านแล้วค่ะเพราะว่าผ้าหลานก็กลับมาแล้วที่ประสบอุบัติเหตุก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ลูกก็กลับมาที่บ้านนี้แล้วนะคะผ้าจานก็ จากการปฏิบัตินะคะก็มองเห็นถึงโลกกระท8แปดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะพ่ออาจารย์ก็ส่วนนี้ก็ทำให้เรามองอะไรดูว่าฉลาดขึ้นนิดนึง ก, ก็คือจะไม่ไปยึดติดอะไรมันมากมายตามที่พ่อาจารย์ได้สอนมาได้สั่งได้สอนมาก็ก็เอาความ รู้ที่ได้หรือว่าคําสั่งสอนของพระอาจารย์ที่ได้แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ม า, าปฏิบัติแล้วก็การทำอยู่ตลอดเวลาเลยก่ะพระอาจารย์ทำใจเราสบายทำใจให้เราว่า <จะ S 1> ทำใจเราให้เย็นนะเรื่องทกค่ะเรื่องทุ ก, เ ร, ทกเรื่องทุกนั้นทุกมาตลอดก็เมื่อตะกี้นี้ก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือปอดีเขาก็มาปรึกษาเขามาปรึกษ า, าในเรื่องของ ความทุกข์ของเขาก็เคยแก้ปัญหาให้ก็คือมองบอกว่าให้ดูสิโลกธรรมแปดมันเป็นยังไงแต่เราว่ามันก็มีการมีลาบก็เสื่อมลาบมียุทก็เสื่อมยุทมีสันดานซืนก็มีกาันอื่นแล้วก็มีการอินทาเป็นเป็นเป็นเรื่องของอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้มันไม่แน่นอนก็ถ้าเราไม่ไม่ไปยึดติดกับมันไม่ยินดียินร้ายกับมันเราก็ไม่ทุกข์มากเจ้าข้าพเจ้า วัน<อ>นี้ต้มีถามถ้าถ้าเข้าใจใโลกธรรมแปดนี้ก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายแล้วเจนะี๋วค่ะพี่อาจารย์เรื่องความโลภความไร้นั้นก็คงจะไม่มีเพราะว่าว่าตัวคนเดียวแล้วพี่อาจารย์เนาะ ก, ก็คือถึงแม้เนี่ย <c oughs> เงินเดือนมีไม่มากพอแต่ว่าก็เราก็มีกินมีใช้ <c oughs> แค่ว่าไปไปกรัมกับอาไปไม่ใช่ว่าไปกลัมแล้วไปปลูกผักปลูกอะไรมากก็คือแค่เราเป็นการออกกําลังกายไม่ใช่ว่า จะหาก น, นะคะพระอาจารย์ก็คือเข้าใจที่ว่าพระอาจารย์สอนว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของทางโลกมันมากนนะมุม่งเข้ามาทางธรรมเถิดแล้วเจ้าจะได้เอาความดีนี้ติดตัวไปเจ้ค่ะพระอาจารย์ถูกต้องสาธุจ้ะสาธุจ่ะสาธุขวพระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงไหะครับค่ะสาธุจ้ะคุณวีวอวีวอไม่ได้ใส่ชื่อเลยไม่รู้ชื่ออะไร ได้ยินไหมชิญพูดได้เลยได้ยินค่ะชื่ออะไรจ้าชื่อเกศค่ะเกศเคยเข้ามาเปล่าครั้งแรกค่ะค่ะจันอยู่ี่ไหนจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอ่าตอนนี้อยู่มาเลเ ซ, เซียค่ะเอ่ามีอ ะ, อะไรไหมมีอะไรอยากจะถามไหมพอดีว่าอยากจะถามว่าอ่าเวลาเรานั่งออกฝึกปฏิบัติอยู่ค่ะตอนนี้แต่ แล้วก็พยายามฟังพระอาจารย์แบบเทศนานาคุติธรรมะนาคุติอะค่ะแต่ว่ายังนิ่งไม่ได้เยอะอะค่ะได้ประมาณเต็มที่ประมาณสามสิบนาทีก็ค่อยค่อยฝึกไปมันไม่ใช่จะทาได้แบบทันทีทันใดต้องใช้เราพยายามฝึกสติอยู่บ่อยบ่อวันเวลาที่เราจะมานั่งเนี่ยพยายามฝึกสติเป็นเป็นนิสัยประจำวันเราเลย ทำอะไรก็ให้อยู่กับอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไปใจอย่าไปลอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือใช้พุโทโธบ้างก็ได้พุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนถ้าไม่จําเป็นอย่าต้องคิดก็เดี๋ยวมาค่านี้เดี๋ยวหนูจะไปถือศีลมาขอพรพระอาจารย์จับพระอาจารย์หน่อยค่ะเออขอให้สําเร็จนะมาผลนิพพาน เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนอ่อยให้เต็มที่เลยนะสาธุค่ะไม่มีะอะไรแล้วค่ะอคขอแค่การรักษาสุขภาพแข็งแงนะค ะ, ะสาธุโอเคไปที่คุณแนนต่ออุดรทานีแนนเป็นไงสบายดีเหรอสบายมาสแกายค่ะอาจารย ส, สบายดีเจ้าค่ะ ม น, นี่ <Okay. S 2> ไม่ได้คำถามค่ะจำแข็งแน่นนะจ้าเก่งมากไม่เคยถามได้เลยตั้งแต่เข้ามาเลยแต่ว่าพัฒนาขึ้นมากมากเลยเจ้าค่ะออกราขอบคุณพระอาจารย์มากๆานะเจ้าค่ะจ้าคุณสุพัฒนาบรวรเวชชนบุรี <c oughs> บบกลาววัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมจ้าค่ะโอเคสาธุจ้ะสาธุคไปที่คุณแนณแนแก้นัดคุณแนนครับคุ ณ, คณตามมาพอดีสาธาคุณตาครั บ, ก, บกราบนำ้ำมศการพระอาจารย์ ค, ครับเออไปอยังไงบ้างก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์อืมในผลดีไหม ก็จิตใจสงบนะคะดีกว่าเมื่อก่อนอารมณ์มที่เมื่อก่อนมีโทสะก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะทันขึ้นค่ะพระอาจารย์ทันแล้วก็พยายามให้มันดับไปในใจมไม่ไม่แสดงออกเออถูกต้องอาจารย์อ่าไวไฟในไฟนไฟในยาวออกข้างนอกค่ะแล้วพอเห็นก็จะพยายามแบบใช้เหตุผลเข้ามามาม า, มาบอกตัวเองเพื่อให้โทสะอันนั้นมัน มันมันมันหายไปบางทีบางทีมันไม่ทันเมื่อก่อนไม่ทันมันจะต่อไปได้เรื่อยในใจบางทีอยู่ในใจแต่มันก็ยังจะต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกทุกข์แต่พอตอนนี้ก็จะพยายามไม่รู้ถูกไปแต่ก็เอาเหตุผลนะคะเข้ามาบอกกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเหตุผลก็คือปัญญานี่เราคิดด้วยเหตุผลอย่าไปคิดด้วยอารมณ์ถ้าอารมณ์ก็เป็นกิเลสต้อง <c oughs> ได้ยังใจเหล่านี้เป็นกิเลส แเราก็ ja. ต้องดูเหตุผลว่าได้หรือไม่เพรเหตุใดได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปคอรคับเิดไปทางปัญญาอคิดทางอารมณ์ครับทุกจ้าค่ะพระอาจารย์ขอให้ท่านพระอาจารย์แข็งแรงนะทุกจ้าไปที่คุณตายต่อค kind of ุณตายปัทยา มุมแกล้งนมาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะเนีวันนี้มีเวลาเข้ามาได้เนอะเออเข้าได้ค่ะพระอาจารย์ปิดร้านได้ยังไม่ยังไม่ปิดอ๋อปิดแล้วปิดแล้ค่ะปิดแล้วค่ปิดกี่ทุ่มธรรมดาไปกี่โมงร้านปิดหกโมงเย็นค่ะพระอาจารย์หกโมงเ็นนโอเคค่ะค่ะที่เราทำงานหามลูกหามข้าม คนถามลูกถามข้ามาโยอมโยอ่ะตอนนี้ยังนั่งก็แก้ก็แกกับคอมพิวเตอร์อยู่เลยแล้จะเาเงินไปไหนกันถามว่าตายไปแล้วจะเอาไปให้ใครมันมันไม่มีคนต่ออยู่ว่าอาจารยังหาใครหาใคย่างนี้ทำไให้ใครไม่เคยถามข้อนี้เลยนะมันก็พยายามหางานก่อนครับอาจารย์ใช้นี่ก่อนเดี๋ยวถ้าหมดนี้แล้วก็ จะเบาระคะอาจารย์แต่ตอนนี้ก็เบานะก็ไม่ถึงจะบอกว่าเบาเยอะค่ะก็ไม่ใช่อีกลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์โอเคนะอย่าลืมภาวนามางนะตอนนอนั่งสมาธิซะหน่อยนะคะอาจารย์โอเคลมดอนๆนะอาจนรย์ท่านนี้ค่ะแต่ก็พยายามอยูค่ะอ่าสาวดคุณหนิงต่อคุ่นหนิง กลันมาสัศ ก, การค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าลงตัวมากขึ้นค่ะพอกลับมาปฏิบัติก็เวลาว่างก็ก็จะพยายามเข้าสมาธิค่ะแล้วตอนนี้เวลาจะนั่งสมาธิยมก็รู้เทคนิคแล้วยมจะไม่รีบรบรนๆนแล้วยมก็จะแบบกินน้าก่อน <laughs> กินน้ำแก้วแก้วแก้วนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ <laughs> นั่งชิลๆนิดนึงค่ะแล้วก็ทาใจให้มันสงบสงบแล้วก็ค่อยคอย อ่าอธิษฐานนั่งสมาธิอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันรวมได้ได้ดีกว่าค่ะแต่ก่อนโยมแบบชอบมาแบบเล็งเลงเล็งเงอุ้ยมีเวลาเนอัเข้าเลยแล้วก็มาอัดอัดอัดมันก็ไม่สงบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้น ก, ก็ก็ก็ก็ทำแบบนี้แล้วก็ดูเวลาว่าโอเคครึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็แต่ว่าพอมีเวลาว่างโยมก็จะเข้าสมาธิค่ะแต่ว่าขาดแค่เดินจงกรมแล้วค่ะอาจารย์เราทาแทนกันได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คําถามอื่นไม่มีเจ้าค่ะยอมขอหนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลของพระอาจารย์ในอดีตปัจจุบันและในอนาคตถึงพรินิพพาเลยนะเจ้าข้าสาธุดูเจ้าขยไม่มีคําถามแล้วเจ้าข้าสาธุดูเขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ข้าไปที่คุณลูกตาลชนบุรีเชิญจะไม่ลูกตาลใช่ไหมได้ยินไหมจ้า มาได้ยังน้ำมัสมัช ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ตอนนี้เอ่อถือศีลหกค่ะเพิ่มเพิ่มเอ่อไม่ไม่กินเข้าเย็นเข้ามาค่ะเริ่ม เ, เริ่มค่ะพระอาจารย์ดีแล้วก็นั่งสมาธิก็ยังไม่ค่อยนิ่งไดเท่าไหร่ก็เน้นว่าไปเปิดเปิดฟังธรรมของพระอาจารย์บ่อยๆค่ะโอีอค่ะ ฟังไปก็นั่งไปนั่งแม่งหลับตาฟังไปไว้เนี่ยนั่งสมาธิไปค่ะหนูก็แล้วถอดถอดเทปไปด้วยค่ะที่พิมพ์ใส่ใส่ไฟล์ค่ะอะแต่แต่ละอีพีค่ะอืมค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ที่มาที่มากับคุณแม่ทุกทุกสาวทินย์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะมันไม่เคยเห็นหน้าเพราะใ ส, ส่แต่แม่เท่นั้นอมู่้เป็นใคร ค่ะ ừ, เพราะว่าหนูนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะมันจิตมันยังไม่ค่อยได้หนูก็เลยเน้นฟัง ừ, ทำเยอะๆเอาก่อนค่ะตอนนี้แล้วก็พยายามฝึกสติให้มากๆทั้งวันวันทั้งทั้งวันทั้งคืนทําอะไรให้มีสติรู้อยู่กับตัวเราค่ะอ่าแล้วนนเดี๋ยวต่อไปสติมันจะมากขึ้นมันก็จะนั่งสมาธิได้เองค่ะบางทีมันหลับตาเยอะๆมันก็ยังแบบ ชอบจินตนาการอยู่ค่ะมันก็ยุกยิกยุกยิกยกัเลยแบบเออ ย, ย, ยังยังยังไม่ค่อยฝืนเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องท้อแท้พยายามทำไปทีละเก้าทีละเก้านะพอเราได้เดินก็นแล้วกันเดี๋ยวมันก็มันก็ย่าเดินได้เร็วขึ้นมากขึ้นเองอ่าค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์ okay, จยับของพรบคุณค่ะขอบคุณแปลว่าอะไร ศิราช า, ากลับมามัชกาเท้าค่าพระอาจารย์ขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วอะค่ะเป็นที่ทำงานหนูได้กลับมาใช้ยอมเย็นอีกเหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับทีมแล้วก็หนูขออนุญาตใช้คำว่าแบบเข้ากับน้องๆไม่ได้แล้วกันนะคะมาตรดานเราอาจจะสูงแล้วมันก็เลยมีการไม่ยอมรับกันเกิดขึ้นนะคะ เหมือนทํางานคนเดียวแล้วก็จนกระทั่งมันมีปัญหาที่ที่ที่เด็กๆไม่ไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอมีการเรียกคุยกันกันกบอังโวน่าแล้วสุดท้ายแล้วหนูหนูกับมาคิดว่าโอเคงั้นสแตนดาร์ดหนูก็โยนทิ้งไปแล้วละกันหนูก็ทําให้ให้แผนกกับน้องๆมีความสุขขึ้นอ่ะเรื่องเสื่อมหยัดค่อยว่าทีหลังเอางานให้ให้ผ่านไปได้ด้ดีกก็มันก็เลยดีขึ้นค่ะใช่ก็ เราไปถือตัวถือว่าเราเก่งกว่าเขาหนูใช้หลักพระจันาร์ที่สอนตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งตัวให้ให้ตามที่สุดอ่าให้มองว่าตัวเราผิดแล้วก็ยอมหยุดเย็นนะคะอะขอโทษน้องๆก่อนถึงแม้ ว, ว่าจะจะใครก็แล้วแต่ค่ะสุดท้ายแล้วเขาทํางานแฮปปี้แต่ว่าอหนูก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะหนูพยายามจะแบบประคองให้พวกเขาทํางานได้ดีก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ เป็นเป็นเป็นวาระที่ที่หนูก็ได้วางวางแผนเอาไว้ค่ะก็ดีการเวลาทำอะไรร่วมกันก็ต้องต้องแยกแยะต้องดูสภาพความเป็นจริงว่าเขาทำได้เท่าไหร่เราจะไปเราจะไปหยิบยื่นระดับที่มันเขาทำไม่ได้มันก็มันก็ไปปัญหาได้แล้วค่ะขอบพระคุณธรรมพระอาจารย์กับพระพุทธเจ้านะจ๊ะค่ะใช้ได้จริงทั้งในทั้งโลกและทังธรรมค่ะแล้วก็หนูก็ มุ่งมั่นที่จะไปพิพันธ์ให้ได้ค่ะถ้ามุ่งไปจริงๆ7จดวันเจเดือน7จดปีก็ได้แน่แน่ขอบคุณมากค่ะขอเป็นพรอันเป็นส่วนของคค่ะโอเคอถูกคุณหมอทิติการได้ยินไหมคุณหมออ่าเปิดไมค์ได้ไหม เปิดได้แล้วทำออดจุมค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ไม่ได้มาส่งกับบ้านท่าอาจารย์นานค่ะก็โยมก็คุยกับคุณแม่ชีบ่อยค่ะแล้วก็บอกว่าเวลาของท่านอาจารย์แต่โยมอะก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็โยมก็เพียนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ขยับจากศีลห้าประมาณเป็นศีลเจ็ดหรือศีลแปดเพราะว่าถือพรมจัจทร์อยู่แล้วแล้วก็นอนห้องพระค่ะท่านอาจารย์แต่ว่า ข้อที่มักจะทําไม่ได้ก็คือข้อเรื่องรับประทานอาหารวิตการโภชนะด้วยอาจจะเรื่องของสุขภาพนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ตอนเช้ามันจะทํางานหนะักมันก็จะมากินแบบเป็นเหมือนกับหลังเที่ยงแต่เขาพยายามจะใช้กินโดยที่แบบไม่ไ ม, ไม่สั่งอะไรกินค่ะท่านอาจารย์ไม่สั่งแกลบสั่งอะไรเข้ามาคืออยากแค่ไหนก็จะแค่หาของกินในบ้านค่ะท่านอาจารย์ก็พยายามจะสํารวมการกินให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ที่บ้านก็ไม่มีทีวีไม่มีเน็ตฟลิกซอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ไปดูพวก ฟีที่ขึ้นมาคุณแม่ชีก็สอนว่าก็ไม่ให้ดูด้วยก็พยายามจะไม่ดูอะไรเลยค่ะท่านอาจารย์ชีวิตตอนนี้ก็คือแค่ทํางานแค่ส่งออกพอไม่ไปสังสรรค์ไม่มีไม่ค่อยมีสังคมค่ะท่านอาจารย์ขาแล้ววันเสาร์ก็ไปใส่บาตรกับท่านอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นฟังเทศทอาจารย์มากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิค่ะก็รู้สึกว่าชอบความวิเวกค่ะท่านอาจารย์ขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็อาจจะเกษียณก่อนอายุราชะการเพื่อสามารถจะภาวนาได้มากขึ้นค่ะ ดีมา ก, มากค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ถ้านอาจารย์เตือนเรื่องอบายมุขค่ะก็มีโจทย์เลยค่ะถ้าอาจารย์พอปกติจะต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนค่ะถ้าอาจารย์ค่รับยาเหมือนเคมีบําบัด <c oughs> แล้วที่ถ้าอาจารย์ก็บอกว่าโยมก็จะมีปัญหามากกับยาแก้ปวดค่ะท่าอาจารย์เพราะว่าโยมหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทส่งตำแหน่งแล้วหมอเขาบอกให้ผ่าแล้วโยมไม่ได้ผ่าบางทีตอนเช้ามามันปวดหลังจนแบบมันเสียวหลังแทบจะเดินไม่ได้ค่ะก็เลยคิดถึงท่านอาจารย์ว่า ถ้าอาจารย์ยังทนกับเวทนาอันนี้ได้โยมอะปุถุชนธรรมดายมก็ต้องเป็นลูกศิษย์ท่นอย่างน้อยโยมก็ต้องทําไม่ได้บ้างอ่ะท่าอาจารย์แล้วก็ล่าสุดก็เจอโจทย์นะคะไปโรงพยาบาลขอยาแก้ปวดแล้วเขาไม่ให้แต่จิตมันไม่กระเทือเลยค่ะท่านอาจารย์ก็คือเออไม่ให้ก็คือไม่ให้มันก็เหมือนกับฝนฟ้าค่ะท่านอาจารย์เราบังคับใครไม่ได้แล้วก็กลับมานอนคนปวดต่อไปอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะก็ก็รู้สึกว่าโจทย์เนี้ยสําหรับโยมเรื่องเรื่องที่ท่านอาจารย์เตือนว่าเรา อบายามุกก็ยมก็คิดว่ายมทำได้ดีขึ้นค่ะออพะยาออพยามใช้ใช้สติใช้สติสตค่ะท่าอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าออหลังหลังร่างกายสุดโทมขึ้นมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้กระทบในใจเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ค่ะก็ปล่อยวางลูกปล่อยวางครอบครัว ปล่อวางอะไรได้มากขึ้นพยายามจะคิดว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายอะไรก็ไม่ใช่ของเราอาจารย์ค่ะเออดีคิดอย่างนี้ดีอ่าแล้วก็นั่งสมาธิถึงแม้ว่าะจะไม่นั่งได้นานแบบบาลังเหนึ่ออาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็จะอาศัยแบบทุกสิบห้านาทีแล้วก็ต่อกันทั้งวันอะไรอย่างนี้ยค่ะเสาชิดไม่ออกไปไหนค่ะดีดีทำแบบนี้ทำไปตามกํากลังของเราไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ มันไม่ค่อยมีคําถามนะคะถ้าอาจารย์อยู่ในใจรู้ว่าทางอันนี้มันประเสริฐค่ะท่านอาจารย์ทำทำให้เยอะแล้วก็วันหนึ่งผลเกิดแน่นอนมั่นใจอย่างนั้นถ้ะท่านอาจารย์ค่ะใช่เหมือนปลูกต้นไม้อน่ยมันมันก็ค่อยโตขึ้นมาเดี๋ยววันดีขึ้นดีมันก็ออกดอกของผลให้เราเองแล้วก็มันก็จะมีสภาวะรู้อะไรที่แว บ, บแวแล้วก็ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรคะ่ะท่านอาจารย์พอ ร, รู้ว่า มันก็ยังไม่จริงมันก็อาจจะแค่รู้แล้วก็แต่ว่ามันทําให้ตัวเองอะคะ่ะมั่นคงในทางเดินตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อสงสัยแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่ไปฟังทำอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็จะมีปัญญาสอนเราเองว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่แท่อาจารย์สอนนะคะก็คือถูกละเราทําให้มากแล้วเราก็จะเกิดเองในผลอันนั้นค่ะกลับขอบพระคุณท่าอาจารย์ค่ะที่เมตตาสอนตลอดค่ะ ย, ยินดีเสมอ <c oughs> ไปที่คุณกอฟกาฟฟ่สุราธานีวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาหารเหมือนกันเนี่ยมีมีครับปาจารก็ก็เริ่มหมดอาหารก็บอกเอาวะแบบว่าเป็นคิ้ค่ากิเลสมานานแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ตายกิเลสก็ตายก็ก็เริ่มเลยก็คืออดอาหารหลังเที่ยงก็ไม่ได้ทานอะไรก็เพียวเพียวก็คือกินน้ําหรือไม่ก็ อาจจะเป็นชาดําอย่างเงี้ยกาแฟนิดนิดแกาแฟดําก็เจ็ดวันแล้วก็ก็ลดมาสองกิโลแต่ว่าเรารู้สึกว่าอา่อคือเราไม่ได้ลําบากอะไรรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าที่ที่จะได้ ท, ทําตรงนี้่ครับต้องระวังนะแล้วอย่าให้มันกลับคืนมาใหม่นะให้มันหายไป <c oughs> อย่ชักหน้าชักหลัง <c oughs> เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังสองเก้าเดินไปข้างหน้าอีกสองเก้า มันก็ไม่ไปถึงไหนเลยจริงเข้าใจคือเมื่อก่อนมันทรมานครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ทรมานมันจิตใจเข้าใจดีครับมันอยู่ที่ใจเราด้วยถ้าใจเราจะเอายิงจริงมันก็ไม่ทรมานนะก็มันก็ดีละคือมันตัดเื่องแบบว่าเออเราต้องมานั่งกินข้าวต้องมานั่งทำนูนตอนนี่ก็ตัดความอยากเอาเพ้อเดียวก็คือจบครับสิ้นจะพยายามครับ โอเคทำต่อไปนะสิบ <ฮา S 1> กิโลใช่ไหมป้าป้าหมายคือสิบกิโลใช่ไหมโอเคไอ้ที่ <ฮา S 1> <ด>คุณที่ิจ้าไ้ที่คุณทิติมากอทมออันนี้สินแป <ฮา S 1> และสินห้าอันนี้สินแปดและสิบห้อันนี้ได้ประมาณเจ็ดค่ะพระาจารย์จนะ okay. ครานข้าวเย็นไปข่ะนนี้ <laughs> ทำไมชอบกินข้าวเย็นกันล่ะกันมันมียอะไหรอ่ะมันมีอีเอนทค่ะพัชรเลี่ยนไม่ได้ค่ะโดนกิเลสชักนําไปค่ะาัชรโอเคค่ะพัชรอะมีมีค่ะพะัชรตอนนี้ชีวิตหนูวุ่นวายมากเลยค่ะพะัชรการงานแบบหาโถมอะค่ะหนูก็แบบลา ง, งานต้นเดือนหน้าค่ะเพื่อไปถืองีนคิดว่าน่าจะสงบ ขึ้นมากกว่านี้ค่ะก็ะดีเปิ <ขอ S 1> ดตัวเาออกจากความวุ่นวายมา<ช>กนี่ม่เหมือ น, นกองไฟนะ่ะมันร่อนอืถอนออกมาบ้างอย่าไปอยู่ในกองไฟใช่ค่ะคิดว่าน่าจะดีขึ้นไปถือศีลอยู่ว่าอยู่ที่มันเย็นที่สงบดีกว่าใช่ค่ะพระอาจารย์ตั้งใจปฏิบัติตลอดค่ะพระอาจารย์จะตัด่หงเล้งนะคะ คุณวาริตไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวก่อนอภิสิทธิ์ก่อนสิทธิ์สิคนะคอยดาวนวัตการพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับ <inar> <ข>อืมบอให้ท่านขันว่าอาจาย์แข็งแรงครับขอมันได้เปล่ามันให้เราหรือเปล่าเข้าครับแต่ก็ดีมันเป็นความปรารถนาดีแต่มันก็ ต้องดูด้วยปัญญาขอมันได้ปะ่ะขอให้ขอให้มันเจ็บดีกว่าขให้มันตายดีกว่านีนได้แน่แน่นะ <c oughs> แต่อย่าไปขอให้คนอื่นเจ็บให้คนอื่นตายขอให้ร่างกายเราให้มันเจ็บให้มันตายเราจะได้สมหวังเราจะได้ไม่เสียใจเนครับอาจารย์ครับสาธุจอ่าคุณวลิต อันนี้ยังอยู่เกี่ยวโตวอยู่แบบเหมือนเดิมพบหนาวถ้ามาเรียนอะไรตอนนี้อ๋อเรียนภาษาครับกับเือดูไอเดียอย่างอื่นเหมือนกันเขาว่าจะเรียนอะไรเพิ่มต่อหาจากภาษาไหมก็กลังคิดอยู่ครับช่วงนี้ยาภาษาไปทำอะไรเลอก็เป็นแบบเผื่อเปิดช่องทางหรือว่าหาแบบคอนเนคชั่นในส่วนหนึ่งด้วยครับที่นี่ด้วยครับก็ วันนี้ก็จะมาถามเรื่องอย่างเช่นที่จริงว่าจะรู้คําตอบในใจอยู่แล้วแต่ไม่มั้ว่าตัวเองคิดถูกหรือผิดเช่นเจอคนไทยพูดจาไม่ดีกับเราผมก็ปล่อยผ่านไปก่อนเพราะผมสังเกตว่าผมปล่อยผ่านไปเขาเห็นว่าไอ้คนเนี้ยพูดจาไม่ดีได้เขาก็พูดจาไม่ดีมากกว่าเดิ ม, มค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆพราะเห็นว่าเขาพูดได้ผมก็เคิดในใจเอ๊ะหรือว่าเราควรพูดไปว่าผเราไม่ผมไม่โอเคนะแบบนี้เพราะเขาจะได้รู้ว่ามันมีลิมิตอะไรแบบนี้เหมือนกันครับเพราะก่อนอันนี้อ๋อพูดไปผมก็แบบปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่าน ก็เลยสังเกตเอ๊เขาก็พูดหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนโอเคเอเขาก็อายุน้อยกว่าแต่เขากแบบับดูดักขึ้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องพูดไปแล้วเพราะผมถือว่าปล่อยผ่านแล้วมันเหมือนแบบได้คืบจะเอาสอบเหมือนแบบยิ่งเล่นหรือยิ่งปีนเกียวอย่างเง้ย น, นะครับหลวงพ่อแต่ก็คำว่าจะแค้อะไรไม่ก็ไม่ได้แคะหรอกแต่ว่ามันแบบเอ๊ะก็อยากรู้จะได้หยุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้อยากไม่อยากไม่อยา ก, ม, ยากมีเรื่องบาดหมังแต่แเรวก็อยากแบบให้หยุดประมาณนั้นนะครับ ถ้าคิดอย่างนี้ถูกไหมครับหรือว่าควรปล่อยอยังไงครับก็แล้วแต่เราถ้าอยากจะรู้ว่ามันคูรแล้วมันดีขึ้นหรือไม่ก็ลองดูจะก็แล้วกันครับก็เพราะคิดในใจเราก็ไม่อยากอะไรไม่อยากตั้งเวรตั้งกรรมอะไรกับใครก็เราให้ปากไครถ้าเก่งจริงก็ไม่ต้องมาพูดอะไรเดินหนีไปก็แล้วกันอครับอันนี้น ก็เลยเพราะนในคาในใจที่ฝึกขึ้นมาอะไรอย่าเอาพิมพเสนไปแลกกับเกลืออย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือจะไปแล่กอย่าไปแ ล, น, <อ>ปลนกับอุจจาระอุจจาระมันเหน <c oughs> ม็นนะครับครับผมเป็นสุภาษิต ท, ที่ผมก็ค่อนชอบเหมือนกันอะไรอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือนี่ยอก็พิมเสนก็เหมือนจิตใจของเราเนาะอย่าไปฝุดมัวกับอะไรที่มันใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเสียเวลาด้วยเดินหนีดีกว่า เลยถ้าจะพูดกับพูดด้วยด้วยด้วยความด้วยด้วยความสุภาพพูดว่าให้ขอร้องได้ไหมอะไรอย่างนถ้าพูดไปแล้วก็ถ้าเขาไม่ไม่ไม่เขาไม่ทําตามก็ก็เลแล้วไปอย่าน้อยเราก็ได้พูดให้เขาฟังนะครับก็ครับแล้วกออ็อีกเรื่องหนึ่งคือฟังธรรมะอันหนึ่งของลงปู่ศรท่านพูดกัน่องอะไรหลวงปู่ศรีมหาวิโรพูดเรื่อ ง, าอ ง, าองการมีธรรมะคือการฝึกจิตใจให้มีความกว้างขวาง อะไรก็คือพวกโมทิดอะไรอะคมวิหารสี่อะไรพอได้ยินแล้วมันเออแล้วก็ไม่เมตตาเราน้อยไปทุกตาอะไรอย่างนี้ผมก็เออก็ชอบในบทนั้นเหมือนกันครับพ่อก็วันนี้ก็มากราบหลวงพ่อครับไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์อยู่ก็ก็ก็ก็แล้วแต่หลวงพ่อครับอย่างนี้นะครับก็แล้วเราจะอยู่นานจะอยู่นานสักเท่าไหร่กาลังตัดสินใจอยู่ครับช่วงนี้อจะกลาบหรือจะต่อเลยใช่ครับ ก็ก็ขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่ ถ, ถ้ามันดีถ้ามันดีก็อยู่ต่อมาอยู่อย่างนี้เราจะได้ฝึกตนเองได้ดีกว่าเอาไปบ้านเดี๋ยวก็เล่เทศเหมือนเดิมอีกเคยพูดให้คลายพ่อแม่ผมเลอหลวงพ่อเพาะเรามีความมั่นใจเวลากลับไปแล้วเราไม่ไม่เล่เทศแล้วเราเราเป็นคนใหม่แล้ว แล้วกลับไปแล้วเป็นเหมือนคนเก่าก็ก็มาก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรครับใช่ไหมครับก็เออจริงด้วยแล้อันนึงที่ประทับใจมากเด็กญี่ปุ่นเขาไม่เขาฝึกเด็กญี่ปุ่นให้มีความแข็งแรงตั้งแต่อนุบาลเดินไปโรงเรียนเองได้แล้วพออายุยังไม่ถึงสิบขวบเขาเข้มแข็งแรงกว่าเด็กไทยเยอะเด็กไทยพ่อแม่ชอบโูผมเห็นเด็กญี่ปุ่นต่อให้ยืนนาน<ไ>ยืนบนรถเมล์อะไรเขาก็ไม่ ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเลี้ยงเด็กแบบนี้นั่นแหะเขาไม่อุ้มไม่ไม่อะไรไห้หัดช่วยทํำเด็กทำอะไรเองได้เขาจะให้ทําทันทีเลยเขาไม่มาทําให้ใส่รองเท้าให้ใส่ถุงเท้าให้อะไรนี้เขไม่ทํำก็เลยก็เลยไม่แปลกใจที่ประเทศเขาเจริญทางโลกขนาดนี้ครับก็ก็เลยแบบประทับใจในส่วนนี้ด้วยผมก็เลยนึกถึงเออนึกก็เลยแบบเออใช่เราบางทีเราสู้เด็กสิขวบไม่ได้นะเรื่องความอึดก็แบบโอเค ไม่เป็นไรเรารู้ตัวก็ยังดีกว่าไม่รู้ก็บอกตัวเองอย่างนี้ครับหลวงพอ่อเขาสอนให้เป็นดาตตาฮิอัตโนาโนาโถตั้งแตเด็กครับลอเดินแบบคนเด็กไทยเหมือนเขาชอบโอบกันบ้นางครับแบบบรรดธรรมอะไรอย่างนีอใช่ชอบชอบเลี้ยงลูกแบบเอาใจเอาใจลูกสงสารลูกไม่อยากให้ลูกลําบากทําให้ทุกอย่างเดินลูกกายเป็นคนง่อยไปใช่ไหมทําอะไรง่ายเป็น กม็มาเรียนรู้ในสิ่งนี้ด้วยครับจะได้ไม่อายเด็กครับหลวงพ่อก็วันนี้ก็แค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อถ้าอยู่ได้อยู่ต่อไปเถอะฝต่อไปครับกลับมาสัญญาครับเพราะกิเลสมากกว่าป บ, บางทีอาจจะอยู่เพราะกิเลสหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกไม่เราอยู่เพราะทำเลยครับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อก็อนุโมทนาบุญกับทุกหลวงพ่อและทุกคนด้ครับอ่าดู คุณหมอสตาชนเีเชิญนมาสการท่านระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามค่ะโอเ ค, ค, อเคสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะโอเคเดินไปที่คุณปนอมฮก็นะเชิญคุณปนอมอย <c oughs> ากนมัสการพระอจาย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหน อยู่เซรัมออริเกนค่ะแต่ว่าลูากค่ะลูกไม่ค่อยได้เข้ามาฟังอยู่ด้านนอกแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเจ้าค่ะอืมวันนี้หนาวใ่มเซรัมหนาวใชวันนี้อากาศหนาวขึ้นค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ลูกก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างสม่ำเสมอค่ะอืมแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยงานวัดบ้างเพราะว่าบางทีที่วัดก็มีกิจกรรมมีอ่า พระท่านเดินทางเมื่อวานนี้มีพระเดินทางมาจากแคลิฟอร์เนีย13รูปเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอยังวัดอตตมยารามเอ่อเพื่อไปอสอนทำบาเรียค่ะที่ไหที่ซีแอตเทิลเหรอคะใช่ค่ะที่ซีแอตเทิลค่ะก็มีพระจากหลายวัดจากทางอ่าแคลิฟอร์เนียไปแล้วก็มาพักค้างคืนแล้วก็พวก ญาติโยมอุปสิกาที่นี่ก็ช่วยกันเตรียมอาหารเช้าแล้วก็เตรียมอาหารเพนระหว่างเดินทางนะคาหลงพ่ อ, อแล้วก็ลูกก็อยู่ปฏิบัติแล้วก็ทำความสะอาดวัดจนประมาณสี่โมงเย็นนะคะถึงได้กลับบ้านแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดอย่างสม่ำเสมอแล้วทาก็จะรู้ว่าหนูต้องปฏิบัติในโบสถ์ทันก็จะเปิด โบสให้ทุกวันอาทิตย์ค่ะหลวงพ่อืดีทำไปเรื่อยๆนะปฏิบัติต่อเนื่องค่ะเจริญสติสมาธิแล้วก็เดินทางปัญญาเวลารทบก็ใจเย็นมากขึ้นแล้วก็นิ่งได้มากขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อน้อมนำทำปล่อยวางเจ้าค่ะแล้วก็มีอ่า หลานสะพ้ยได้ไปใส่บาตรแล้วก็ไปถวยายไปฟังธรรมหน้ากุฏิแล้วก็พาครอบครัวฟังคุณแม่ไปด้วยะคะอค่ะซึ่งหนูก็ไม่เคยเจอหน้าแม่ของหลานสะพ้ายแต่ก็ดีใจอะคะ่ะเพราะว่าได้ได้มีโอกาสแนะนําคนที่เขามีความทุกข์เล็ไปแล้วก็ได้มีโอกาสใส่บาตรหลวงพ่อวันนี้ <laughs> ก็มี<ป>มีคนมาจากสิยารโตมามาถวา มา อ, อยู่<ช>ที่นั่น50ปีเป็นคนไทยเด <c oughs> ็หนูรู้ได้ข่าวว่าคนไทยเยอะคะ่ะแต่ <Yeah. S 2> อย่างหนูนี่หนูก็มาอยู่นี่ก็โชคดีเพราะว่าอามาอยู่นี่คือวันแรกแต่มีเขารู้ว่าหนูว่าชอบไปวัดก็หนูจะแจ้งความจำลนงว่าหนูเป็นคนชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเขาก็าพา ไปตั้งแต่วันวันวันแรกที่มาค่ะหลวงพอ่อจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ทิ้งค่ะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นทางสว่างมากขึ้นพอได้ฟังธรรมพระอาจารย์ช่วยทำให้หนูที่แบบว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมามันยังมีบล็อกอยู่มันมัไม่เห็นปัญญาไม่ออกทางปัญญาก็คือปฏิบัติไปอย่างนั้นนะคะ แต่พอได้มาฟังคําจากพระอาจารย์โอเหมือนกวาดใบไม้แล้แ บ, บมองเห็นทางไปเลยนะคะหลวงพ่อกับ <ไป S 2> ขอบพระคุณในความเมตตาที่ทำให้ผู้เห็นทางสว่างมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้ น, น, นเหมือนเหมือนไม่ไม่หยุดอะคะ่ะมีแต่ความรู้สึกว่าอยากอยากปฏิบัติอะไรที่ ที่ทำได้ที่ช่วยทางวาดได้แล้วก็ได้ปฏิบัติไปควบคู่กันลูกก็จะทำต่อไปอย่างไม่มีไม่มีหยุดอะค่ะไม่มีท้อค่ะหลวงพอ่อโอเคนะดีมากจ้ะสาธุแกบค่ะคุณแกบในมันส ก, กานเจ้าค่ะหลวงพออ่อไปที่คุณจอยพัทยาจอยวันนี้ขายของเปล่าออวันนี้ใสบบบ่บาตรหไม่เช้าเนีเมื่อวานค่ะวันเมื่อวานขายมันเก แต่เมื่อวานหนูไปใส่พระจันทร์เนี่ยเสียงดีวันนี้ค่ะเสียงดีกว่านนี้อ่ะใช่ค่ะวันนี้เหมือนเสียง เ, เป็นหวัดแข็งแข็เลยค่ะเมืม่อวานไปใส่วันเกิดที่พระจานทร์บอกว่าเอุปพอก็ไม<แ>่ต้องเกิดเลยอ่าค่ะพาครอบครัวไปแฟออนไปด้วยเลยค่ะเขี้ยวเข็นผมไม่ไปนานทาแต่งานแล้วยอมไปบอกว่าไปบ้างดิไปก็ไปแบบของหนูก็ไม่มีอะไรก็ปฏิบัติตอนเชา้าแล่งสมาธิค่ะแล้วก็ ยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแบบพอเวลาเขาพูดแย่เราก็ชอบไปตามเขาเล่นตามแต่ก็รู้ตัวเองแต่ก็จะพยายามให้ดีขึ้นเหมเดิมค่ะโอเคค่ะสาธุค่ะคุณอาจารย์ทานจาร์พนิดาเชิญอาจารย์พนิดาอาจารย์พนิดาค่ะอาจาระเชิญค่ะหนูก็ กาบในเมตตาที่พระอาจารย์สอนนะดูดูดูสดชื่นขึ้นหน่งหน้าตาค่ะก็ได้ได้ทำในถิ่นที่พระอาจารย์สอนอแล้วก็พยายามนั่งสมาธิสวดนมนต์ภาวนาดีนั่งได้มากเท่าไหร่ ย, ยังดีเพราะมันให้ความสุขกับเรา แล้วเราใจจะเย็นลงแล้วเราจะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นอ๋อ <c oughs> เราก็มีพี่น้องวันนี้มีอะไรัหมมีพี่น้องอยู่ในห้องห้องทางธรรมเนี้ยค่ะที่ที่ส่งอีเมลมาหาให้กำลังใจหนูพี่หนูมารียค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าที่ได้เข้ามา พูคุยกับพระอาจารย์นอกจากจะได้ธรรมะปฏิบัติที่ดีมีพระอาจารย์แล้วยังมีเพื่อนทางธรรมเพิ่มในชีวิต ด, ด้วยอ่ะอืมดีค่ะคนส่วนใหญ่เข้ามาที่นี่ก็เป็นคนธรรมะธรรมะงรับค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ทําให้เราได้ยึดถือแนวเป็นเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เราไปเปลี่ยนอะไรใครไม่ได้นั่นคือสิ่งที่หนูเรียนรู้มากที่สุดอ่ะอแต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้แต่ว่าหนูยังติดในใน ในการดูหนังดูอะไรเ ง, งี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูสอนทางด้านการผลิตสื่อก็ต้องดูเป็นตัวอยา่างไปสอนเด็กถ้าหนูมีอะไรที่ช่วยพระอาจารย์ได้นะค ะ, ะในความสามารถที่หนูมีหนูก็จะยินดีช่วย ค, ะคะ่ะพระจ้าอิจฉะค่ะอ่ายินดียินดีรับเช่ น, นมันเช่นค่ะเช่นอ่านธรรมะหรือใช้เสียงหรือการทำวิดีโออะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีได้ตอนนี้ก็มีทีมงานก็ทำงานอยู่ ถ้าเขาต้องการเขาเขาจะได้ติดต่อกับทางทางอาจารย์ได้ก็พยายามทําต่อไปพยายามฝึกต่อไปทําใจให้เย็นมากขึ้นนะอาจารย์ค่ะแล้วก็วันมาค่ะบูชาสมมุติว่าถ้าหรือวันหยุดยาวเนี้ยค่ะหนูไปที่วัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระอาจารย์ได้ไหมคะได้แต่ต้องต้องจองล่วงหน้าก่อนถ้าเป็นวันหยุดเทศกาลนี้มันมันักจะเต็มเพราะคนเขาจองไว้ล่วงหน้านัน อพอดีอยากน้ า, จ ะ, จ, าจะไปก็ต้องต้องติดต่อทางวัดเขา้าทางเขมีเบอร์โทรศัพท์ให้ให้จองที่พักได้เดี๋ยวทางทีม ง, งานก็จะส่งเบอร์ของทางวัดให้ก็ได้ทางแชทเนี่ยเดี๋ยวเปิดแชท ด, ดูใครมีเบอร์โทรศัพท์ของวัดยานถ้ า, าไปนอนนอนโรงแรมแล้วปฏิบัติธรรมได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องมาวนวัดได้ก็ได้ก็ได้อืม ในโรงแรมมันก็อาจจะที่มันอาจจะต่างจากทางวัดหน่อยทางวัดมันอาจจะสงบทางโรงแรมมอาจจะออกมาเพอออกมานอกห้องมันก็จะเหมือนกับมันก็จะมีคนมีอะไรเยอะแต่ก็ได้ทั้งนั้นอ่ะถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเราไม่ต้องเราจะไปนอนโรงแรมเราก็นอนที่บ้านเราก็ได้นะเราจะ ถ้าอยากจะมาพักที่วัดวัดที่วัดเขาก็มีกิจกรรมให้ทําเช้าเย็นลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรทําลองนี้แ ต, ตแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติของเราเองได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องมามาวัดจ็ได้แต่เราก็ตามเทปพระอาจาย์ตลอดอ่ะตามตามดูพระจย์ตลอดค่ดะก็ดีก็มีทีมงานก็เอาธรรมมาโพสให้อ่านให้ให้ดูอยู่เด้วย โอเคนะไม่มีอะไรใช่ไ้มค่ะพระอาจารย์คร <Okay. S 2> ับค่ะไปที่มา r ี l ล n d ูเอเอจิเป็นจิบอย่างนอวัสกาค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดี่ะคะสบายดีจ้าเนื่องในวันนี้ยังเป็นวันแห่งความรักของอเมริกาก็โยมก็อยากจะกราบขอพระคุณ พระอาจารนะคะในความรักความเมตตาที่พระอาจารย์มีต่อพวกเราทุกคนนะคะขอให้พระอาจารย์มีท่าแขนมีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานแสนนานนะคะพระอาจารยอ์อยู่ไม่ถูกจะเวรอยยังไงพระอาจารย์ก็ชอบบอกว่ามันควบคุมไม่ได้ยองก็อื่องของข้าใจะะ่ะแต่ก็อยากให้พระอาจารย์อยู่ไปแบบนานนานนะคะ ให้ถึงรุ่นลูกลูกของโยมโตก็จะดีมากนะเจ้าค่ะให้รับใช้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็เป็นคนรับใช้เลยไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นผู้ชี้ทางสว่างแห่งปัญญานั่นแหละก็ยังรับใช้อยู่ <c oughs> น, นะไม่รับใช้ค่ะเราต้องว่าเป็นผู้เบิกทาง <c oughs> <c oughs> ค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะเอ่อสลินทอนเขาต้องไปหาหมอเมื่อตอนเช้าวันนี้ค่ะเขาก็เลยฝากกับอาจารย์ด้วยนะคะอ่าก็ฝากฝากวันรันทายเขาด้วยนะเอะได้ค่ะเขาก็เหมือนกันโยนมาค่ะก็วาเลนไทนกันสองคนเนาะโอเคไป ม, ม, นะมีความสุขนะมีความสุขในวันแห่งหความรักค<ะ>่ะอาจารย์กับธรรมจันขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุค่ะขอให้ญาติธรรมทุกคนด้วยนะคะมีความสุข ไม่จำเป็นน้องเป็นคู่รักกันก็ได้ความรักมันได้รอบตัวไปหมดเลยแล้วุทธคามประสงค์รักได้ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณเจ้าค้าแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะค่ะคุณโยมอาจจะต้องออกเลยนะเจ้าค้าพระอาจารย์เพรว่าเา เราต้องขอซ่อมอินเทอร์เน็ตที่ทำงานมันเลยต้องโทรหาคนเยอะค่ะอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบพระคุณทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะไ่ที่คุณกุศลิคนคุณกุศลิน อ, อยู่ที่ไหนเปิดไหมไม่ไมไมยังกลับเลยก่าวสาธุกอ่ารนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ท่านคะมีเรื่องจะสอบถามค่ะบางทีนั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่ค่อยหลับนะคะท่านมันมีวิธีทางแก้ยังไงบ้างเหรอคะท่านมันเกี่ยวกันหรือเปล่ามันทําทําให้ได้นั่งสมาธิแล้วมันจะหลับเลยไม่ใช่ไหอืมเหมือนว่ามันเหมือนจิตมันตื่นตลอดเวลานะคะท่านทำเลยไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไงค่ะก็นอนสมาธิต่อไปนี่เวลานอนก็ทําสมาธิต่อไป พูดโทพูดโทต่อไปส่วนใหญ่ที่มันนอนไม่หลับเพราะว่ามันมันมันคิดมากกว่าไม่ใช่นอนไม่หลับเพราะว่ามีสมาธิถ้ามีสมาธิมันปั๊บเดียวมันก็หลับเพราะว่ามีสมาธิมันจะไม่คิดเนี่ยพอไม่คิดเรมันนอนนอนสบายปั๊บสติมันก็มันก็หมดไปมันก็หลับได้ที่เรานอนไม่หลับเพราะเราคิดถ้าเรคิดนี่ไม่ใช่เรื่องของสมาธิแล้วมันเรื่องของไม่มีสติคอยควบคุมความคิด อ๋ออาจจะเข้าใจผิดขอบคุณค่ะอาจารย์ค่นงั้นเวลานอนก็ถ้ามันนอนไม่หลับก็ลองลองดูลมหายใจเข้าออกไปหรือพูดโทพศัโธ์ไปอย่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะอย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่ค่ะท่านงั้นต้องจะต้องปล่อยวางอ่หลับก็ได้ไม่หลับก็ได้แต่เราตอนนี้เราก็จะไม่คิดปัญหาของเราอยู่ที่ความคิดได้เ พยายามอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วดูลมาหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวมันก็หลับเองออนั่งสมาธิทุกคืนนะไม่ไ ง, ไงที่นอนไม่หลับเ น, นี่ย เ, นะเป็นบางคืนเจ้าค่ะท่านตัวไหนที่นั่งสมาธิแล้วมันจะมันนอนไม่หลับทันทีเลยอนะอืมเท่าที่สังเกตดูช่วงไหนที่นั่งสมาธิมากๆน่ะคะ่ะท่านมันเหมือนจะนอนไม่หลับแล้วเหมือน รู้สึกว่าเหมือนจะรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเห็นกายแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันอยู่อีกที่หนึ่งนะคะท่านแล้วมันก็นอนไม่หลับนะคะรู้สึกเหนื่อยค่ะลองลองเปลี่ยนวิธีมาดูลมหายใจเข้าออกอือหรือทำฟุทโต้ฟุตโตุ้ต<ๆ>โตนะอยา<ฆ>่าคิดปัญหาที่นอนไม่หลับเพราะมันคิดถ้ามันไม่คิดมันก็จะหลับทันที อยู่ที่ไหนนี่ยบ้านบ้านอยู่ที่ไหนอ๋อบ้านอยู่ที่นนทบุรีค่ะท่านนนทบุรีเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะท่านท่านคะขอถามอีกคําถามหนึ่งค่ะท่านถ้าบางทีเราภาวนาไปบางทีพุทโธเรารู้สึกว่ามันมันเครียดเกินไปแบบปวดคขมั้องสองข้างค่ะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคะเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ได้นะสวดเอติปิโสไปได้ค่ะท่าน แล้วพุโทโธมันเค่ก็สวดอิติปิโสไปก็ได้หรือถ้าเราชอบฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เปิดธรรมะฟังแทนการสวดก็ได้เาบางทีจิตเรายังเรายังสติเรายังมีกำลังไม่มากพอมันก็เลยทําให้ใจเรามันยังสงบมันไม่ยอมสงบล้วบังครั้งพอบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาเป็นแบบอย่างนี้เอง ขอบคุณท่าดานมากนะคะท่านสาธุจ้ะโอเครู้สึกทุกคนในห้องได้ถามได้ทุกคนแล้วนี่เราไปที่คุณลาต่อคุณลามีคำถามอะไรบ้างแบบนรมมส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะมีทั้งหมดเก้าคำถามจากทาง Facebook และย t u b e เจ้าคะ<ม>่ะคำถามแรกจากคุณแก้ว จิตที่มันวิ่งตลอดเวลาในขณะที่ฝึกพุทโธตอนหลับตาคิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พอคิดเรื่องไม่ดีรู้สึกผิดบาปใจก็พยายามลืมหนีไม่อยากคิดจะมีอุบายสอนใจหรือต้องฝึกใจอย่างไรเมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีเวลาปฏิบัติเช่นอยู่ดีๆก็นึกถึงผี อยู่ดีๆก็นึกถึงเรื่องที่เราไม่ควรทำแต่ดันไปคิดคิดเพียงแต่ใจไม่ได้ทำดิฉันต้องพยายามหนีหรือนั่งดูไปเรื่อยๆหรือพุโทโธไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะวันนั้นนั่งสมาธิก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นมีความคิดไโรโลกขึ้นมาล้วก็อย่าไปตามมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเท่านั้นเองเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็หายไปเอง มีสองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกลาบนมสการพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งถ้าเราบริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่โรงพยาบาลเพื่อนาไปทำประโยชน์ต่อไปจะมีผลต่อร่างกายของเราในภพภูมิต่อไปไหมครับไม่มีะลรไม่เกี่ยวกันเลยครคำถามข้อที่สองผมสามารถรู้ได้อย่างไรว่า การปฏิบัติของผมนั้นถูกต้องและพัฒนาขึ้นหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณครับก็ความโลภความโกรธความหลงมันน้อยลงนะเราเคยโลภมากเราความโลภเราลดน้อยลงความโกรธเรารอดน้อยลงความหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันน้อยลงไปย่เลยหลงว่าคิดว่าเราไป น, นั่นไป น, นี่มันลดน้อยลงไปไม่ยึดไม่ติดกับอะไรนี่ก็แสดงว่าเราก้าวหน้า คำถามต่อไปจากคุณเกียรติกล้องพระอาจารย์คนตายแล้วไปไหนครับคนตายก็ร่างกายก็ไปสู่เมนไปสู่วัดไปสู่เตาเผาหรือไปฝังในดินนั่นเองกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟ so, ส่วนคนที่ใช้ร่างกายคือเราเนี่ยคนที่คิดคนที่สั่งให้ร่างกายทำํำรายนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เป็นธาตุรู้ ถ้ารู้นี่ก็อยู่ในโลกทิศโลกของเทวดาของเปรตของอะไรเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณทัศสนิทอยากกราบถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรดีจลิตเป็นคนคิดมากเคยฟังหลวงพ่อชาสอนไว้ว่าขยันให้ขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำเลยดัดนิสัยตัวเองให้นั่งสมาธิ สวดมนต์ประจํามา8ปีแล้วแต่เหมือนจิตไม่นิ่งเลยคิดตลอดเวลาคิดมากจนบางครั้งนอนไม่หลับเป็นเพราะรักษาศีลห้าไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนทําได้แต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วดื่มวายเข้าสังคมแต่ตอนนี้พยายามเลิกได้สักพักแต่จิตก็ไม่นิ่งเลยเจ้าคะ่ะกราบขอคําแนะนําเจ้าคะ่ะ ก็เพราะว่าเราไม่มีสติเราต้องฝึกสติทั้งวันท่องพุโทโธไปทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรอาบน้ำล้างหน้าไปพอนก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าทำานี้ถ้าเวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งได้มีสองคำถามจากคุณเมย์คำถามที่หนึ่ง บางครั้งฝึกนั่งสมาธิเกิดความเครียดหรือเบื่อจะแก้ปัญหายอย่างไรเจ้าคะก็เปลี่ยนมาสวดมนต์เลิกฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้คำถามข้อที่สองจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรเจ้าคะนิ่งไงจิตนิ่งเฉยไม่คิดตรุงแต่งสงบคำถามต่อไปจากคุณสุรีกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ มีคำถามคะ่ะว่าทำอย่างไรให้ไม่กลัวตายส่วนตัวมีความคิดความรู้สึกตระหนักและกลัวการตายมาโดยตลอดควรจะเตรียมตัวหรือทำอย่างไรกับความกลัวนะคะอ๋อก็เบื้องต้นก็ฝึกสติก่อนฝึกสติให้ใจมีความสงบบ้างพอใจมีความสงบแล้วก็สอนใจให้มองความจริงว่าร่างกายของคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม ม่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาลงพวนความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เนีย่ยพยายามคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะยอมรับความจริ ง, รงก็จะหายกลัวแต่ต้องทําสมาธิควบคู่ไปด้วยสลับกันทําสมาธินั่งนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอเลิกจากนั่งสมาธิก็มาคิดถึงความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายเราเป็นนายของร่างกายคือเราคือใจผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นบ่าวเป็นผู้รับคำสั่งจากเราอีกทีหนึ่งร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายให้สอนใจแบบนี้แล้วใจก็จะหายกลัวคาถามสุดท้ายจากคุณวันธนาเรียนถามค่ะ วิธีฝึกสติตลอดเวลาต้องทําอย่างไรคะขอบคุณค่ะก็ท่องพุโทโธไปตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจทําอะไรก็ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดหยุดพุดโทโธชั่วคราวคิดเรื่องที่จําเป็นอยต้องคิดพ อ, อคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อทําอย่างนี้แล้วเราจะมีสติ เราจะนั่งสมาธิจะจิตจะสั่งง่ายหมดคำถามแล้วใช่ไหมโอเ ค, อเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ